อาจารย์ตอนทุกๆท่านวันนี้ของพ่อเทศที่อเมริกานะวันสุดท้ายแล้วมาสามอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์ห้ารักขึ้นมาห้ารักที่ห้าทีนี้คนไทยเราที่หลวงพ่อเห็ุมาที่สนใจมาฟังธรรม แต่ละแห่งแต่ละแห่งจำนวนมากก็ไม่เคยเจอหงพ่อมาก่อนอาศัยฟังซีดีอ่านหนังสือแล้วพาวนาเป็นก็เยอะนะการภาวนามันไม่ใช่การทำอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายผิดปกติผิดธรรมดามากนะการปฏิบัติธรับจริงๆการภาวนาจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเราเอง เราแจ้งแจ้งนะเบื้องต้นมันจะแจ้งแจ้งวนะ่าตัวเราไม่มีใจนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อตัวเราไม่มีนะมันไม่มีที่รองรับความทุกขนะ์ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้เป็นทุกข์ความทุกข์มีแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ต่อไปภาวนาต่อไปปฏิบัติต่อไปปัญญาแกะกล้ามากขึ้นมากขึ้นก็เห็นเลยว่า ในสิ่งที่ไม่ใช่เราเนี่ยเป็นแค่รูปธรรมานมามธรรมทั้งหลา ย, ยที่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ ล, ล, ล้วนๆเลยเราจะพภาวนาจนวันหนึ่งเราเห็นความจริงนะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าภานาได้อย่างนี้เนี่ยไม่จะเกิดอาการของจิตที่อัศจรรย์มากยคือมันจะสลัดคื น, คนกายคืนใจให้โลภไป เราจะเข้าถึงอิสระภาพทางจิตใจที่แท้จริงเลยจิตใจใที่เข้าถึงสภาวะอันนะี้ไม่มีจุดไม่มีที่ตั้งไม่มีขอบเขตไม่มีการไปไม่มีการมากว้างขวางเป็นโลกเป็นจักรวาลเป็นภาวะที่อิสระอย่างแท้จริงภาวะอย่างนี้นะเป็นบรลมมัสุขเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือน ไม่มีความแปรปรวนใดนๆนอีกเป็นความสุขที่คงที่ไม่แปรปรวนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าในขณะที่ความสุขอย่างโลกโลกที่คนในโอกไหว้คว้ากั น, เ, นเป็นความสุขที่แปรปรวนตลอดเวลามีความสุขอย่างพวกเราก็เที่ยวหาความสุขมาตั้งแต่เกิดนะแสวงห า, าความสุขมาได้แๆความสุขเน่ยก็เป็นของแปร เหมือนเหมือนจะได้มานะแต่ก็หลุดมือไปทุกทีเหมือนจะได้แล้วก็หายไปเหมือนจะได้แล้วก็หายไปความสุขอย่างลอกๆได้ไปความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยคนอื่นเช่นเราต้องตอนเด็กๆเราต้องอยู่กับพ่อกับแม่ถึงจะมีความสุขเป็นวัยรุ่นถ้ามีเพื่อนถึงจะมีความสุขต่อมามีครอบครัวมีความสุข นันเอิงอาศัยคนอื่นเอิงอาศัยสิ่งอื่นหรืออยากมีชื่อเสียงชื่อเสียงเนี่ยเรามีชื่อเสียงเองไม่ได้คนอื่นเขาให้ชื่อเสียงต้องอาศัยเขาเองหรือมีความสุขรอะมีรูปที่พอใจเขามีเสียงได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่พอใจความสุขของเรายอิงอาศัยของข้างนอก องอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นต้องได้กินอย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องได้ยินแบบนี้ถึงจะมีความสุขได้กลิ่นอย่างนี้มีความสุขกลิ่นอย่างนี้ไม่สุขเลยนะใจิตใจที่วิ่งหาความสุขนะมันพล่านไปตลอดเวลาเพราะความสุขนะมันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่น่ะไม่ใช่สุขได้ด้วยตัวเองเมื่อมันอิงอาศัยของข้างนอกอิงอาศัยคนอื่นมันต้องอ้อเขานะเราเสียอิสรภาพของเราไป เรารักใครเราก็เสียอิสรภาพขพงคนคนนั้นน่ต้องเอาใจเขาต้องอะไรเขาพระเจ้าตรัสอนนะที่ใดมีรักที่นั่นมีตุกคือที่ใดเราไปผูกพันรักใครผูกพันกับสิ่งใดเราเอาชีวิตของเราไปฝากไปกับสิ่งนั้นกับคนนั้นเราต้องคอยระวังกลัวจะสูรเสียเขาไปกลัวจะสูดเสียสิ่งนั้นไปชีวิตเราหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ พระพุทเจ้าเกิดมาเป็นกษัตริย์มีสมบัติในโลกเยอะมีอะไรต่ออะไรสวยสวยงามๆามเยอะท่านก็จะเห็นว่ามันหาสาระแกนสารไม่ได้ความสุขที่งานใสคนอื่นีนงานใสสิ่งอื่นคนที่ท่านรักถึงวันหนึ่งก็ต้องตายไปเนี่ยท่านรู้แล้วว่าพ่อท่านต้องแก่ต้องตายตัวท่านเองก็ไปไม่รอดถึงวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องตายท่านหนึ่งลความสุข ปลอมๆมันนั้นฮะมาสลายหาความสุขนิ่งความสุขนยิ่งจริงๆเนอะพอพ้นค้นทบนะก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคติไม่ใช่อยู่โทเปียนะไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีจริงแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำความดีนิพพานเป็นสมถะซึ่งมีอยู่จริงๆมีอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลย แต่จิตของเราเองเลยไม่มีคุณภาพพอที่จะสัมผัสพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นปัญหาสิ้นความอยากเรียกว่าวิราคา่ะใจของเรามีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยากเห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากให้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกที่สนุกสนานทางใจ เ, เพลิดเพลินทางใจในใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลา พอใจมีความอยากนะจะไปเห็นสภาวะที่พ้นจากความอยากไม่ได้ก็ไม่เห็นอ น, นิพานนิพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปลูกแต่งเรียกว่าวิสังขารใช่ของเราปลูกแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปลูงชั่วเดี๋ยวก็ปลูงดีะบางคนเขารู้สึกชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาเลย ป, ปลูกความว่างๆไปปลูกความว่างขึ้นมาจะปรูงชั่วนะที่เรียกว่าอาปุญญาทีสังขารปลูงดีที่เรียกว่าูปุญญาที่สังขาร รู้ความว่างความไม่มีอะไรเนระื่ออ่าเรีนชาติที่สำคัญรากเน่าของมันร่างอยู่กันคืออวิชชาเนะีไม่รู้ความไม่รู้จริงไม่เห็นแจ้งอริยสัจวนี่ยคาปลุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อไรนะก็ไม่เห็นนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่พ้นจะกความปรุแต่งนิพพานเป็นปีมุตนะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตของเรามีอาสวะที่ห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาระดับใด ที่อรียมรรคเกิดทำลายอาสว่าออไปนะถ้าจิตเป็นอิสระนะไม่มีเปลือกหุ้มนะจิตเป็นอิสระไปเรียกว่าวิมุตตนะ์นันจิตของเราเองเลยที่ทำให้เราไม่เห็นผลิภานเราก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราให้มีคุณภาพนะพัฒนาอย่างไให้สิ้นตัณหาให้สิ้นความอยากสิ้นตัณหาได้นะมันก็จะสิ้นความปลุกแต่งได้นะคือเมื่อไรมีวิราคะ จากสิ้นปัญหามันก็จะเกิดพ่สังขารไม่กรุ้แต่งก็เกิดปีมุ์หลุดพ้นลงไปการที่จะมาฝึกจิตฝึกใจให้พ้นจากความอยากเนี่ยไม่ใช่พูดเอาเล่นๆมีวิธีการปฏิบัติที่ต้องลงมือทำการลงมือปฏิบัติไม่ใช่ทำอย่างอื่นเลยการปฏิบัติทำในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเอง พระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่สําคัญที่สุดชื่ออริยสัจท่านบอกว่าอริยสัจเป็นธรรมสาคัญนะเพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยเราจะต้องเวียนว่ายตาเกิดไม่เห็นพระนิพพานหรอกอริยสัจข้แรกคือทุกข์พวกเรายังไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เรือว่าเราไม่รู้ทุกข์เมื่อเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะมันก็เกิดสมุทยนะัยคือเกิดความอยากอย่างเราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ เราก็อยากจะให้ร่างกายเนี่ยเป็นสุขถาวร อ, อยากให้มันสวยมังามถาวรมันหนุ่มมันสาวถาวร อ, อยากให้มันแข็งแรงถาวร อ, อยากให้มันเป็นอมตะไม่รู้จักตายอความอย่ากนี่นจะเจอความไร้เพียงสาที่เราไม่รู้ความจริงร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะถ้าวันใดที่สติปัญญาเราแก่กล้านะเห็นร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่เห็นอย่างที่พวกเราเห็น เราเห็นอะไรเราเห็นว no. ่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บางเป็นสุขบางรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บางเป็นสุขบ้างเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บางเป็นสุขบ้างแล้วความดิ้นรนของจิตก็จะเกิดขึ้นดิ้นรนอย่างไงดิ้นรนจะให้ร่างกายมีความสุขดิ้นรนจะให้ร่างกายไม่ทุกข์จะเกิดความดิ้นของจิตขึ้นมาความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นไม่เห็นพระนิพพานนะนิพพานเป็นสันติความสงบสุข ของจิดของใจเรานี่ถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆความอยากที่จะให้กายเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดความอยากทั้งหลายไม่ว่าจะมีมากมายแค่ไหนนะย่อลงมาประมวลลงมาแล้วก็สรุปได้นิดเดีย ว, วย ก, กย็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เราไปสังเกต ด, ดูความอยากนานาชนิดที่พวกเรามีนะ สุดสุดท้ายเลยสุดที่ลึกที่สุดเลยก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้าปัญญาแก่รอบนะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายคนทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีถ้าวันใดเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆซึ่งพวกเรายังไม่เห็นเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหยจิตใจเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันมีทางเลือกเนย เราก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาดิ้นรนหาความสุขก็มีลาง า, าชนิดตามสติปัญญานะบางคนก็ดิ้นรนหาความสุขด้วยการสนองความต้องการตลอดเวลาอยากอะไรก็ได้อันนั้นมาเราก็มีความสุขคิดว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นตอบสนองมันได้แล้วมีความสุขเพิ่นความอยากมันไม่ได้คงที่พออยากได้อันนี้ได้ใจมาปุ๊บแลมันอยากอันอื่นตออีกแนละ้ว แน่ใจเลนไม่มีความสุขสักทีหิวตลอดเหลาเลยนั้นมันภาวนาเรื่อยๆไปนะมันหนึงเห็นว่าตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆตัวที่เห็นตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากให้จิตเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้จิตท้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นนัานมันจะไม่ยึดถือจิตตัวที่ไม่ยึดถือจิตนั้นเป็นการทการปฏิบัติในท่านสูงสุดนะที่หลวงพ่อเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทุกๆองคนะ์ลงท้ายก็มาลงตรงนี้มันได อย่างวัดเนี้วัดของหลวงปู่สุวรสด์หลวงปู่สุวัสดิสดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายที่หลวงพ่อเรียนด้วยหลังจากนั้นไม่ได้เรียนจากองค์ไหนอีกแล้วหลวงปู่สุวรสดก็สอนเรื่องการปล่อยวาดจิตไม่ให้ยึดถัวจิตลงมาที่นี่หลวงปู่โดนก็เคยสั่งหลวงพ่อไว้ตั้งแต่ปี 2, สองพันห้ารอยี่สิบหกสังว่าการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายนะ พบจิตเนีพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตทำลายนี่ก็คือไม่ยึดถือเลยทำไงกายจะไม่ยึดถือจิตได้ครูบาอาจารย์ทุกองศ์เนี่ยสอนว่าจะมาลงที่เดียวกันหมดนีงลงมาที่จิตนี้ทั้งหมดเลยตัแต่อ่านกันที่จิตนี้เองงั้นการปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติแล้วเราปัดตรงเข้ามาสู่จิตสู่ใจได้ <c oughs> การปฏิบัติจะลักสั้นแต่บางคน เข้ามาไม่ถึงจิตใจถ้าเข้ามาไม่ถึงจิตใจให้ไปดู ก, กายก่อ น, นกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านอย่างหาเจ้าของบ้านไม่เจอไปเฝ้าหน้าบ้านไปก่อนเดี๋ยววันหนึงก็เห็นเจ้าของบ้า น, นไม่จากปฏิบัติจริงๆนะเป็นเรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจต้องเรียนรู้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรียนรู้สายใตสายหนึ่งพวกเรานักปฏิบัติสมัยก่อนนะชอบทะเลาะกัน ว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนี่เป็นความโงกเขลาอย่างยิ่งเลยถ้าพวกเราภาวนาเป็นนะเหมือนกับเราขึ้นภูเขาแล้วเราขึ้นถึงจุดสุดยอดของภูเขาแนละ้วเราจะหันไปรอบทิศทางในสามร้อยหกสิบองศานะเราจะพบว่าทางขึ้นเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ใช่มีทางเดียวที่เราขึ้นสายกายสายจิตอะไรนี่เป็นเรื่องของคนภาวนาไม่เป็นนะเบื้องต้นหรอกที่ว่าเอากายเป็นฐานหรือเอาจิตเป็นฐานอเวทนาเป็นฐาน เป็นฐานเพื่อฝึกให้เกิดสติฝึกนะให้เกิดสติพอเกิดสติแล้วตอนที่สติมาทํางานจริงเนี่ยบางครั้งสติระรลึกรู้กายบางครั้งสติระรลึกรู้ความสุขความทุกข์เรียกเบทนาบางครั้งสติระรลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกัจนะิตนะเรียกว่าจิตตาลุปรัสนาบางครั้งสติไประลึกรู้กระบวนการทํางานนะของจิตใจทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเรียกว่าธรรมารุปัสนา สติระลึกเองเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะดูกายล้วนๆหรือเราดูจิตล้วนๆเบื้องต้นนาจจะดูกายก่อนนะแต่พอสติตัวจริงเกิดแล้วเลือกไม่ได้แล้วว่าจะดูอะไรนะงั้นอย่างถ้าผู้ระสายนั้นดีสายนี้ดีนะยังไม่เข้าใจการปฏิบัติหรอกยังเข้าใจที่ผิวเผินมากเลยไม่มีสายหรอกการปฏิบัตนะิถ้าเราสามารถฝึกสติที่ถูกต้องฝึกสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาได้แล้วนะ บางคนนะสติก็เราเลืกรู้กายสักพักหนึ่งไปเราเลืกรู้เวทนาไปเราเลืกรู้จิตไปเห็นกระบวนการทํางานของจิตใจทั้งดีและชั่วเป็นธรรมารูปัสนาเลือกไม่ได้สตินั้นเป็นของสั่งไม่ได้เพราเป็นอนันต์ตางั้นคำว่าสายโน้นสายนี้นะพูดจัดไปเองสําหรับคนที่ภาวนามไม่เป็น ถ้าาวนาเป็นสติตัวจริงเกิดสมาธิปัวจริงเกิดไม่มีสายอีกต่อไปละเวลาสติ้วราลึกลูกกายจิตตั้งมั่นมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูมันก็จะเห็นอะไรไม่ใช่เห็นกายแต่มันจะเห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่ในกาย ว่าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแลสติไประลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ในกายในใจมันจะไม่ได้เห็นเวทนาคือความสุขทุกข์นะมันจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเวทนาถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติไประลึกรู้เห็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตมันไม่ได้ไปเห็นกุศลอกุศลแค่นั้นมันเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกุศลอกุศล เพเวลาที่ภาวนาเป็นเลยนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาแล้วสติระลึกรู้มันระลึกเลือกไม่ได้เลยว่าจะระลึกอะไรเดี๋ยวเขาระลึกรู้กายเดี๋ยวเขาระลึกรู้เวทนาเดี๋ยวระลึกรู้จิตเดี๋ยวระลึกรู้ธรรมหมุนไปเรื่อยเลยสั่งไม่ได้แต่ไม่ว่าจะระลึกรู้กายหรือเวทนาหรือระลึกรู้จิตหรือระลึกรู้ธรรมสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอันเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์เนี่ยความลึกซึ้งของธรรมะอยู่ตรงนี้นะ ในพวกเราเองไม่ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันว่าสายนั้นดีสายนี้ดีเปืนเรื่อของคนภาวนาไม่เป็นเบื้องต้นหรอกที่ว่าจะเอาอะไรเป็นฐานไว้ก่อนนะเบื้องต้นหักให้มีสติในขั้นของการหักให้มีสติเนี่ยพวกเราทํามาสํารวจตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมาฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเราก็เลือกที่จะอยู่กับกรรมาฐานอนั้นต์เป็นหลักเอาไว้เรียกว่ามีพิหารธรรม อยู่กันสินั้นเช่นถ้าเราหาัดรู้ลมหายใจเราหายใจออกเรารู้สึกตัวได้ง่ายเราหายใจเข้าเรารู้สึกตัวได้ง่ายเราใช้ลมหายใจเป็นฐานเรียกว่าสายกายหรือเรารู้อีทธิยาบทสี่ยืนเธอนนั่งนอนแล้วสติเกิดบ่อยเราก็คอยรู้อีทธิยาบทสีไปเพื่ออะไรเพื่อให้สติเกิดบ่อยเนียจุดที่ว่าสายโน้นสายนี้นะ่ยมันเป็นแค่จุดตั้งต้นเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นเอง ส่วนในขั้นเจริญปัญญาไม่มีสายแล้วนะไม่มีสายต่อไปแล้วนะข้อสติน่ะอัตโนมัติไปหมดแล้วที่เขาเระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปงั้นในสติปัฏฐานสี่นะที่ท่านกำหนดไว้ให้พวกเราฝึกสายกายก็มีเช่นลมหายใจอิริยาบถสี่อิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยนะไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนีน่ยหันซ้ายหันขวาก้าวไปถอยหลังแลกู้เหยียดเลยรู้สึก เคลนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนั่างกายในหยุดที่ว่าอะไรที่เราไปรู้แล้วสติเกิดบ่อยเราเอาอันนั้นไม่มีการทับถมกันนะว่าสายนั้นดีกว่าสายนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะเริ่มต้นด้วยการรู้ลมหายใจแต่รู้ลมหายใจที่หลวงพ่อทํามาแต่เด็ก ทำไปเพืให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิรู้เราหายใจเราก็จิตเคลื่อนไปรู้ฐานจิตเคลื่อนรู้ฐานจิตจิตะตั้งมั่นได้สมาธินะในขั้นของการฝึกให้เกิดสติเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตนะเราปูดูลสอนให้ดูจิตเราก็เห็นเลยจิตมีความสุขเราก็รู้จิตมีความทุกข์เราก็รู้นะจิตดีจิตร้ายเราก็รู้ใครรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยเราไปทอจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนิดเดียวนะ ขยับตัวคลิกเดียวนะสติเกิดเลยโดยไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้โดยไม่ไเจตนานีถ้าคนไหนเคลื่อนไหวร่างกายนะอย่างหลวงพ่อก็เคยฝึกลองไปดูหนะลวงพ่อเตียนท่านขยับมือก็เข้าไปหาท่านเหมือนกันเห็นท่านขยับมือแล้วเออท่านรู้สึกตัวเป็นใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้เราก็นะไปนั่งเล่นบังนั่งเล่นเพราต้องสจังหวะทำแล้วลาคาญนะหลวงพ่อเหลือนิดเดียวแค่เนี้ย แค่เคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเคลื่อนไหวเรากรู้สึกมันคือแกนคําสอนของตั้นนั่นแหละเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกมีวันหนึ่งนะเล่นอย่างเงี้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหอกฮัดเล่นเล่นนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนน่นะเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจก้าวขาไปเพื่อจะไปทักทายมั น, นเวลาฝึกเนี่ยฝึกมือเคลื่อนไหวเรากรู้สึกนะแล้วตอนไปเจอเพื่อนยขาดสติไม่มีสติไม่รู้กายไม่รู้ใจก้าวเท้าไป ก้<ท>าวเท้าพอเท้าเคลื่อนปัป๊นะร่างกายเคลื่อนไปสติะระลึกได้เลยรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาเนะนี่ยอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดถ้าเราถนัดรู้ลมหายใจแล้วสติเกิดบ่อยเรารู้ลมหายใจเราดูท้องพองยุบแล้วสติเกิดบ่อยเราดูท้องพองยุบนะหรือว่ารู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจความสุขเกิดเราคอยรู้ความทุกข์เกิดเราคยรู้นะ ควาเฉยๆเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้หรือความสุขความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นเราคอรู้เมื่อเบื้องตอนอ้นหัดรู้อะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะที่ว่ารู้แล้วสติเกิดบ่อยรู้ว่านั้นบ่อยๆฝึกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะสติอัตโนมัติมันจะเกิดถ้าสติยังต้องจงใจให้เกิดในี่เป็นสติที่อ่อนแอมากนะในงที่ทำเขาเรียก ว, ว่าเป็นกุศลจริงนะแต่เป็นกุศลชนิดที่เรียก ว, ว่าสังขาริกรรม ต้องเราให้เกิดต้องชวนให้เกิดมีกําลังอ่อนเราต้องฝึกสติเจนอัตโนมัติเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดเรียกว่าอาสังถาริกกะที่จะเป็นผู้สอที่มีกําลังกล้าสมาธิก็เหมือนกันถ้าสมาธิที่ยังต้องคอยรักษาประคับประคองจิตใจให้สงบให้ตั้งมัน่นเป็นสมาธิที่ยังอ่อนแออยู่แต่ถ้าจิตเคลื่อนปั๊บสติะระลึกปับ๊บนะจิตตั้งมั่นปับ๊บอัตโนมัตินะเป็นสมาธิที่มีความเข้มแข็ง เป็นสมาธิที่มีกำลังกล้าไม่ได้เจตนาที่จะให้ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นขึ้นมาเองนะเพราะรู้ทันเวลาที่มันเคลื่อนไปงั้นถ้าเรามาฝึกนะเราต้องมาฝึกจนกระทั่งสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอัตโนมัติไม่ใช่มาฝึกเล่นๆหรอกนะต้องมาฝึกให้จริงๆเริ่มต้นมิตีฝึกให้เกิดสตนะิสติเป็นตัวรู้ทันว่อมีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจเราได้ยินคำว่าสติบ่อยๆใช่ไห รู้ไม่สติเป็นไงไม่รู้รู้แต่ว่าให้มีสติแต่สติเป็นไงไม่รู้สติคือสภาวะที่รู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเช่นร่างกายพยักหน้าแล้วเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนอยู่เี่กว่ามีสติอยู่ในกายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วเรารู้ทันว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรียมีสติรู้เวทนาบุญสรณะบุญสเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้ทันนะได้มีสติรู้จิตนะ เนืกก่อการที่จะมีสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจอะไรทำให้สติเกิดการที่จิตเห็นสภาวะซ้ำแล้วซ้ำเล่าการจิตจาสภาวะได้แม่นจะทำให้สติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้สึกแต่จะรู้สึกเองเพราะอะไรเ็ราเคยหักรู้สึกบ่อยๆก็แค่นั้นเองดนั้นพวกเราเบื้องต้นนะทากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ใครถนัดรู้กายแล้วรู้ตัวได้บ่อยสติเกิดบ่อยรู้กายไปนะใครรู้สึกกายแล้วต้องรู้ได้ทีทีนะไม่ใช่หัดรู้สึกกายแล้วใจลอยไปตั้งแต่เช้ า, ยาเย็นไปรู้สึ ก, กทีทีอย่างนี้อย่าไปดูเลยเสียเวลาสติไม่ยอมเกิดต้องดูตัวเราเองนะว่าดูอะไรแล้วสติเกิดบ่อยสิ่งที่เราดูเนี่ยต้องอยู่ในการในใจของเรานะไม่เกินกายเกินใจออกไป ดันั้นถนัดรู้ไกายจะถนัดรู้ไกายกายก็ยังแยกออกไปได้ตั้งเยอะแยะจะใช้ลมหายใจก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ได้ทําอย่างอื่นทําแค่รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหรือถนัดดูท้องของยุบนะท้องพองก็รู้สึกตัวท้องยุบก็รู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกท้องนะถ้ารู้สึกที่ท้องรู้สึกที่ลมหายใจเป็นสมถะเพ่งเลยเอาแค่รู้สึกตัวหมายถึงว่าไม่ลืมตัวไม่ใจลอย ต้องลอยไปไหนนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วไปดูออกว่าของเราถนัดอะไรแต่ละคนถนัดอะไรอย่างหลวงพ่อถนัดลมหายใจตั้งแต่เด็กนะหายใจหายใจนะก็จิตเคลื่อนอรู้อะไรอนี้นี่จะได้สมัครทีนะ่ตอนมาเจริญปัญญาเนี่ยจะมาฝึกให้มีสติไม่เจริญปัญญาเนี่ยหลวงพ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจ จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้รู้ความเปลี่ยนของมันนะในเห็นสติเป็นตัวรู้ทันว่าความเปลี่ยนแปลงในกายในใจมันมีขึ้นมาคอยรู้ไปได้จนกระทั่งมันอัตโนมัตินะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตขยับตัวเล็กนึงสติเกิดเองเลยไม่ได้เจตนาเฉเห็นจิตไม่ขยับตัวนะเห็นเองเลยนะแล้วพอจุดที่เราฝึกอย่างสติอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะถึงจุดที่เราจะเข้าใจความจริงอย่างนึงว่า ต่อนไปนี้เราจะเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะดูอะไรสติมันจะไปดูของมันเองเมื่อไหร่ความรู้สึกทางกายเด่นะสติจะไปรู้สึกที่กายเมื่อไหร่ความสุขความทุกข์เด่นสติจะไประลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่กุศลอกุศลมันเด่นเช่นโกรธแรงๆขึ้นมามันเด่นขึ้นมาสติจะไประลึกรู้รตัวที่เด่นตัวความโกรธที่เกิดขึ้นมานะมันระลึกของมันเองไม่มีเจตนาจะระลึกนะ ไม่ใช่ว่าฉันจะต้องรู้แต่ลมหายใจไม่รู้อย่างอื่นเลยอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะค่อยฝึกนะสติคือสภาวะที่ที่มันรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจในใจมันจะรู้ทันได้ก็ต้องคอยเห็นมันบ่อยๆ่เห็นความเคลื่อนไหวในกายบ่อยๆเห็นความเคลื่อนไหวในใจบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนกระทั่งต่อไปเนี่ยไม่ได้เจตนาจะเห็นมันก็เห็นนั่นเรียกว่าสติมันเกิด มันฝึกนะจนกระทั่งเห็นโดยไม่เจตนาจะเห็นนี่ว่าเรามีสตินะเบื้องต้นก็ต้องจงใจไปก่อนเรนะิ่มจงใจหายใจไปหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจต่อมาเวลาเผลอ <c oughs> ๆนะเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาเนี้ยลมหายใจจะเปลี่ยนจังหวะเวลามีราคะลมหายใจเปลี่ยนจังหวะรึกออกไหมเวลามีโทสะลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวงนะะสติมจะหลุลึกเองเลย ลมหายใจมั น, ปนแปลกไปแล้วพอะระลึกปุ๊บจะรู้สึกขึ้นมาเลยนะต้องฝึกนะบางคนบอกหลวงพ่อสอนอะไรแปลกๆสิ่งเหล่านีม้มีอยู่ในคำเพียงของเราเท่านั้นเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาเอ ง, เองนะไม่จะมาบอกว่าหลวงพ่อสอนแปลกหลวงพ่อสอนถูกนะแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนมากถ้าเคยเรียนสัก่อนเคยฟังสักก่อนและการปฏิบัติจะง่ายนะพวกเราคนไหนพานามาสามสิบปีบ้างมีไหมในห้องนี้ ใครปฏิบัติมนาะสักสาสิบปีแล้วมีไหมมีหนึ่งคนสองคนเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้คล้ายๆกันไหม<อ>เห็นไหมว่าจิตตอนนี้อยู่ที่ไหนโอ้นะแล้วทำไมจิตมาอยู่ที่ท่านทนำะไมจิตไม่อยู่ที่ตัวเองโอ้นะ <c oughs> ถ้าเรากานาถูกนะสามสิบปีนี่เราควรจะค้นถูกไปแล้วนะถ้าเราทำถูกจริงๆ แต่ถ้าเราทําให้ถูกนะส่วนใหญ่ที่ทํากันนะจะไปเพ่งเพ่งทําความสงบเฉยๆนะกี่ปีกี่ปี ก, ปก็อยู่อย่างนั้นนะะวันนี้สงบแต่พรุ่งนี้ก็ฟุง้งฟุ้งก็มาทำความสงบใหม่นะเดี๋ยวอีกทีก็ฟุ้งอีกแล้วมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วฟุ้งกี่ปีกี่ปีก็อยู่แค่นั้นนะเพราะอะไรเพามันไม่ได้หลักถ้าเรามีหลักจริงๆนะเราก็ทำกำํากรรมฐานสัยอย่างหนึง่ง แล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วแต่ถนัใครถนัดดูกายก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเช่นกายหายใจออกรู้สึกกายหายใจเข้ารู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกวันะนไหนถนัดดูจิตใจก็ดูไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะเป็นกุศลก็รู้โลภโกรธสงเกิดขึ้นก็รู้หัดรู้ได้เลยลง่ายๆเหมือน ใครเคยอ่านสติปัฏฐานสูตรบ้างมีมหมยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจที่คเคยอ่านมาหาสติปัฏฐานบ้างอ่านน้อยเกินไปนะทาไมคนที่เคยอ่านมีน้อยเหลือเกินไปอ่านดูนะท่านจะมันเป็นคำพีที่อัศจรรย์มากเลยเป็นการประมวลวิธีปฏิบัตินะประมวลวิธีปฏิบัติย่อลงมาในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนไม่สารพัดเลย เป็นสติปัฏฐานก็ให้เกิดสติก็ได้เป็นสติปัฏฐานก็ให้เกิดปัญญาก็ได้มีวิธีการที่แตกต่างกันเป็นสติที่รู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้รู้ธรรมก็ได้อัศจรรย์มากเลยเป็นวิธีปฏิบัติสําหรับคนใช้สมาธินําปัญญาก็ได้พวกปัญญานําสมาธิก็ได้สมที่กับปัญญาร่วมกันก็ได้เนี่ยท่านย่อลงมาอยู่ในสติปัฏฐานแล เราไปหาอ่านดูแล้วจะพบว่าอัสัจนมากแต่อ่านทีแรกจะงงงงนิดหนึ่งว่าทำไมพูดง่ายๆ่าเช่นหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ฟังแล้ดูไม่มีสาระอะไรเลยหายใจออกก็รู้สึกนะหาใจเข้าก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้นะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นี่คือการฝึกให้มีสตินะเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยเฉยก็รู้ ดุกรภิกขุทั้งหลายจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคะดุกรภิกขุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดุกรภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดุกรภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตมีสมาธิ นะคณิกะสมาธิอุปจาราสมาธิอัปนาสมาธิก็รู้นะเป็นเรื่องง่ายๆทั้งหมดเลยฟังดูแล้วเหมือนเด็กเล่นเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราทําตามที่ท่านสอนนะถนัดตู้กายรู้ ก, กายเกอกลักเช่นถนัดตู้กายนะหมดย่อยของกายก็ ม, มีอีกเช่นถนัดจะดูท้องผ่องยกนี่คือรู้อิทธิยาหมดย่อยนะถนัดเดินจงกรมจะรู้อิทธิยาหมดใหญ่ ถนะัดรู้ลงหายใจเข้าในรู้บับพพาของอนาปนาสตินะแล้วทํามาสักอย่างหนึ่งก่อนนะถนะัดตัณหานะเอาอนะันนั้นหรือถนะัดดูเวทนาก็ดูเวทนาไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขตั้งอยู่ก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะความทุกข์ตั้งอยู่ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ะค่อยฝึกไปเรื่อทำสักอย่างหนึ่งก่อน การที่หดรู้บ่อยๆต่อไปสติจะเกิดขึ้นเรียกว่าเราสร้างเครื่องมือขึ้นมานะสร้างเครื่องมือที่จะใช้เรินปัญญาต้องทำนะให้สติเกิดบ่อยๆแล้วเครื่องมือตัวที่สองเนี่ยคือสมาธิเครื่องมือที่ใช้เดินปัญญามีสองตัวเท่านั้นสติและสมาธนะิอันนี้บางทีเราก็จะได้ยินนักปฏิบัติเขาพูดนะต้องมีสติมีสมาธนะิสติเกิดยังไงไม่รู้ นี่หวงอแจกแจงโจทยละเอียดยิบเลยสติเกิดเพราะว่าเราเห็นสภาวะบ่อยๆเรื่องเอาในสติปัฏฐานนั่นแหละไปเปิดสติปัฏฐานสูตรดูนะมีตัวอย่างให้เราศึกษาเยอะเลยว่าจะรู้อะไรดีถ้ารู้ลมหายใจแล้วสติเกิดบ่อยรู้ลมหายใจถ้ารู้อิทิยาบทสติเกิดบ่อยก็รู้อิทิยาบท รู้อิทธิยาบท ย, ย่อยเราสติเกิดบ่อยรู้อิทิยาบท ย, ย่อยเช่นเส้นใบรู้สึกหยุดนิ่รู้สึกท้องคองรู้สึกท้องยกรู้สึกรู้ไปเรืยได้สตินะให้ฝึกเอาหรือสุขทุกข์กุศลอกุศลรู้ไปเรืยได้สตินะส่วนสมาธิสมาธิเนีน่ยนักปฏิบัติมามากง่ายชอบพูดมาต้องนั่งสมาธิ่อนเราตื่นจะเกิดปัญญาไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีหลายชนิด ครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิเนะี่ยมีเยอะนะแต่ว่าภาษาที่ท่านใช้เนะี่ยมันเป็นภาษาที่อาจจะเก่าจนพวกเราไม่เข้าใจอย่างหลวงปู่เทศนะท่านสิ้นไปนานแนละ้วหลวงปู่เทศหลวงก็ไปเรียนกับท่านท่านเมตตาหลวงพ่อมากเลยเวนะลาไปเรียนกับท่านนะว่าท่านประกบประวัตท่านสอนสมาธิสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนะี่ยจิตเพ่งนิ่งอยู่ใ น, นอารมณ์เดียว ท่นเรียกว่าฌานแต่ถ้าเรียกแบบปริยัตินะนี่ให้ถูกภาษาของปริยัติที่จะเรียกว่าอารมณ์อนุปนิชฌานนิจที่เพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวใช้ทําสมถะกรรมฐานจะใช้ทํางานทางโลกเวลาเราทํางานทางโลกเราต้องแน่วแน่อยู่กับงานที่เราทําใช่ไหมถึงจะทําทงานได้เป็นเรื่องใช้ทํางานทางโลกไม่ก็แน่วแน่อยู่ที่ลมหายใจเอาไว้ทําความสงบแน่วแน่ไปอยู่ที่ท้อง เอาไว้ทําปรับสงบไปเพ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเอาไว้ทําปรับสงบเนี่ยสมาธิเพ่งอารมณ์นะส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติแต่ก่อนทาำกันนะคือทําอันนี้ไม่ได้ขึ้นสมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาหรอกสมาธิชนิดที่เดินปัญญาเนี่ยหลวงปู่เทศเขาเรียกว่าสมาธิสมาธิเพ่งอารมณนะ์เนี่ยก็เรียกฌานถ้าสมาธิที่จะเดินปัญญาเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปก บ, บาล จที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ประบาทเนหลวงปูนนง่เทศเ่าเรียกว่ามีสมาธินะถ้าเลือกให้ถูกปริยัตเนี่ยจะเรียกว่ามีลักขณูปนิชชาลักษณะที่มีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งเพ่งอารมณ์นะนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวและความสุขได้ความสงบหรือแม่ก็ไปทํางานทางโลกเรียกว่าอารามณูปนิชฌาเกือบทั้งหมดเลยนะของนักปฏิบัติสมัยก่อนที่ทํากันมาทำเอาตัวนี้แล้วก็ติดตายอยู่ที่นี่องขึ้นวิปัสสนาไม่เป็น วันนี้ส ง, งบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านทําใหม่ส ง, งบใหม่เดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่มวนอยู่แค่นี้แหละไปไหนไม่รอดหรอกสมาธิอีชนิดหนึ่งที่เรียกลักขนมปนิชาตคือเนี้ยเป็นตัวแตกอักเลยถ้าเรามีสมาธิชนิดนี้นะเราถึงจะเดินปัญญาได้หลวงู ด, ดูลยสอนอยู่คําหนึ่งนะบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตไม่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบาท ครูบาอาจารย์บางองคท่านก็บอกว่าให้มีจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้จิตที่ไม่ได้ไหลไปคิดนึกหลงแต่งก็คือจิตที่ตั้งมันน่นมันเองหลวงปู่เทศบอกให้มีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้นั่นเองครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านพูดกันด้วยภาษาที่หลากหลายมากเลยแต่ว่าโดยรวมกันก็คือสภาวะที่จิตของเราเนี้ยรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่ตัวนี้ต้องฝึกนะต้องฝึกไม่ฝึกไม่มีหรอก เพราว่าจิตของเราเคยชินที่จะไหลออกตลอดเวลาจิตเราจะวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดตลอดเวลานะไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นรู้เนืรู้ตัวเห็นกายเห็นใจทำงานเั้นเมื่อจิตเราไม่มีสมาธิตัวนี้นะเราไม่สามารถเดินปัญญาได้จริงถึงจะฝึกสติแต่ว่าไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นก็กลายเป็นเฮ้งหมดแช่มีสติไปรู้ลมหายใจแต่จิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะเคลื่อนเข้าไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจ จะลงหายใจระ ง, งับนะกลายเป็นแสงสวา่างแล้วกลายเป็นเข้าชานไปลกลายเป็นสมาธิที่พักผ่นไปหมดเลยนั้นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเท่านั้นนะถึงจะเดินปัญญาได้ในอาที่ทำสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะสติอย่างเดียวไม่ทําให้เกิดปัญญานะสติเป็นแค่ตัวรู้ทันว่ากายกับใจมันทํางานอยูนะ่แต่ต้องมีความตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องเท่านั้นนะถึงจะเกิดปัญญาได้ สมาธิชนิดนี้อาภัพมากเลยนะไม่มีคนเรียนเท่าไหรนะ่ค่ะคนดูถูกได้่อยๆไปหลวงพ่อชำนาญสมาธินะชำนานเล่นสมาธิแบบน้นแบบนี้จนถนัดครูบาอาจารย์ที่เก่งสมาธิอย่างของครูเทศสนะ้นท่านบอกให้เล่นอันนี้อันนี้นะบอกผมกลัวติดท่านบอกถ้าติดเดยอะอาตมากแก้ให้นะให้หัดเล่นเอาไว้ให้ชานาญทุกอย่างทุกอย่างนั้นสอนอย่างนั้นเลยรู้นะสมาธิไม่ที่ไหลเอาไปจับอารมณ์เอาไปเดินปัญญาไม่ได้นะ หาที่ที่จิตถอนตัวออกจากอารมณ์มาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยมันถึงจะเห็นความจริงของร่างกายเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเป็นสุขเป็นทุกข์ดีชั่วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันถึงจะเห็นความจริงของจิตใจได้การที่จะถอนตัวจิตขึ้นมาเชิญมันตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยต้องฝึกนะวิธีฝึกทำยังไงวิธีฝึกมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งเข้าฌานซึ่งพวกเราเข้ายาก แต่นคนรุ่นเราเนี้ยฟุ้งซ่านเก่งโอกาสเข้าฌานมีน้อยเราใช้วิธีที่สองไปวิธีที่สองเนี้ยก็คือทํากรรมฐ า, านสัอย่างหนึ่งทำกรรมฐ า, านสัอย่างหนึ่งแต่ว่าพอจิตมันเคลื่อนไปให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะเคลื่อนสองลักษณะท่านหเคลื่อนทิ้งอารมณ์กรรมฐานนี้นะหนีไปคิดนแบบหนึ่งเคลื่อนเข้าไปเพ่งนิ่งนิ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนี้ไปอีแบบหนึ่งเคลื่อนมีสองเคลื่อนท่านหนึ่งเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนเข้าไปเพ่ง สมัยเมื่อสักสิกว่าปีก่อนหลวงพ่อจะสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งใครเคยฟังซีดีรุ่นโบราณมั้งสอนไม่เผลอไม่เพ่งอันนั้นสอนเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกนะหลังๆเนี่ไม่ค่อยพูดเรื่องนี้แล้วพวกเราทําเป็นเยอะหลวงพ่อสอนเรื่องแยกธาตุแยกขันใครฟังซีดีรุ่นหลังจะรู้แยกธาตุแยกขันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาจิตตั้งมั่นได้แล้วมีสมาธิแล้วลก็แยกธาตุแยกขันมาเดินปัญญาและมันมีวิธีการที่เราต้องเรียนนะงั้นต้องมาเรียนก่อนว่า ฝึกให้มีสติด้วยการคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะอย่างนี้บ่อยๆแล้วนะสติจะเกิดฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องก็ใช้วิธีรู้ทันนะรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตมันเคลื่อนไปคิดก็รู้เราจะทดสอบดูทุกคนทําได้หลวงพ่อขอยืนยันว่าทุกคนทําได้ทุกโต๊ะด้วนยะทําได้แน่นอนนะต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูด หนึ่งนาทีประมาณนั้นนะพวกเราห้ามคิดนะห้ามคิดนะคิดไหมเนี่ยไม่จิตไหลไปคิดเอ็ไหลไปคิดพวกที่ว่าไม่คิดคือมองไม่เห็นนะไม่คิดก็ตะลุดเลยนะมึคิดนี่ยหัดรู้ทันจิตที่คิดนะถ้ารู้ทันจิตที่คิดอ่ะจิตที่รู้จะเกิดนี่เป็นเคล็ดลับนะ กว่าจะได้โน้ตหาวตัวที่มานะโอ้พอนาปางตายให้รู้ทานจิตที่คิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเองสังเกตไหมพอเรารู้ทานจิตที่คิดมันคล้ายๆมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่แล้วหลวงพ่อจะหยุดพูดอีกห้ามคิดนะสังเกตไหมว่าใจมันคิดสังเกตไหมที่มันคิดอยู่นี้มีคนหนึ่งเป็นคนรู้มันนะ มีคนเป็นคนรู้นี่แหละคือจิตผู้รู้ล่นะความคิดก็ทํางานไปจิตเป็นคนดูอยู่นะไม่ค่อยๆหัดนะค่อยๆหัดนะต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปคิดปุ๊บรู้ทันปั๊บตัวรู้เกิดจิตเคลื่อนไปเพง่งปั๊บรู้ทันตัวรู้ก็เกิดรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะตัวรู้จะเกิดเองห้ามบังคับให้เกิดนะให้มันเกิดเองถ้าจงใจทําให้ตัวรู้เกิดนะ่ะจิตจะแน่นเอียดเลยนะทําผิดแล้ว ถ้าจิตแ น, แน่นแน่นเนจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลได้จะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแย่การงานนะเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมใช่ไหมพอรู้ทันไหมจิตมันจะโล่งขึ้นมาเลยนะจะโปร่งโล่งขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานในชาปนนั้นเลยะตรงที่รู้ทันว่าจิตคิดนะมันไม่ห้ามจิตที่จะคิดแต่ให้รู้ทันจิตที่จิต เห็น ไ, ไหมจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นความเคลื่อนของมันไหมมันเคลื่อนมันสายใช่ไหมมันไม่ได้อยู่นิ่งๆสายไปสายมาบางคนพยายามให้นิ่งด้วยการเพง่งถ้าเพ่งก็เป็นสมถะแต่ถ้ามันจะเคลื่อนเราต้องเห็นนืจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าตัวมันจะไหลแตแล้วเพ่งไว้จ้องนิ่ง แล้วบอกว่าไม่คิดอะไรเจ้าเนี่ยเป็นสมถะเป็นสมาธิชนิดแรกแต่ถ้าจิตมันสายสายสายแล้วเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นบุรู้ผู้ดูหลวงปู่ดูลบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยจิตอาศัยคิดก็คืออะไรปล่อยให้ใจมันคิดนะไม่ใช่ห้ามนะแต่มันคิดแล้วเรารู้ทันเรารู้ทันเนีจิตคิดจะดับแต่เกิดจิตรู้ขึ้นมาเห็นึกบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยจิต บางคนไม่จาที่หลวงปู่สอนเลยได้สองคำคิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เลยพยยามฝุกที่จะหยุดคิดท่านมีประโยคที่สามนะว่าแต่ต้องอาศัยคิดเพื่อปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเรารู้ทันว่ามันเคลื่อนไปหลวงพ่อจะฉันน้ํำนะพวกเราห้ามจิตเคลื่อนนะเอมอ ง, ม อ, งออกไหมถ้าเราเห็นที่อาการที่ท้อเคลื่อนเขาสายนะ ตอนไปนี้ทุกคนนั่งสมาธิวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเราเรียนเข้าคอร์สแบบปฏิบัติหน่อยเดี๋ยวว่าหลวงพ่อสอนแต่ปฏิญต์นั่งสมาธิไปแล้วค่อยรู้ทันจิตไม่ใช่นั่งให้นิ่งนะไม่นั่งให้สงบนะส่วนใหญ่เห็นไหมว่าจิตมันสายไปสายมามันไม่นิ่ง ให้รู้ว่าสายไม่บังคับให้นิ่งสังเกตให้ดีหลายคนเริ่มถลำลงไปพอไปดูดูดูนะจิตมันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนออกไปนะมันคล้ายๆเราชะโงกลงไปดูอะไรที่อยู่ในคลองแล้วตกคลองลงไปใจถอยขึ้นมาเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูถ้าจิตเคลื่อนไหวก็เห็นจิตที่เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวและรู้ทันสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญสำคัญที่รู้ทันใช่ได้นะส่วนใหญ่ เอาแล้วพอละค่อยถอยออกมาตอนที่ออกมารู้สึกข้างนอกเนี่ยใครรู้สึกซึมซึมบ้างมีใครรู้สึกซึมบ้างถ้ารู้สึกซึมนะแสดงว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยโน้มเข้าไปด้วยอำนาจโมหะจิตเคลิ้มเข้าไปขาดสตินะตอนออกมามั น, มนจะเนี่ยตอนเข้าม็นจะไปเงี้ยนี่ถ้าดูจิตเป็นจะรู้พอออกมาแล้วมันค้างออกมาอย่าง ดึงออกมานึก อ, ออกไหมเพราะมันผิดตั้งแต่ถล่เข้าไปไม่เรื่องสมาธิละเอียดอ่อนนะไม่ใช่อ้าวพุทโธไปพุทโธพุทโธโอ้กว่าจะเป็นนะกี่สิบปียังเป็นน ะ, นะหายใจไปกี่สิบปียังเป็นนะรู้ทันจิตเข้าไปบทเรียนที่จะทําให้เรารู้ได้สมาธิที่ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าจิตประสิทิ์ขาต้องเรียนเรื่องจิตนั้นจะได้สมาธิที่ถูก ถ้าเราไม่รู้ทันจิตนั่งสมาธิไป ม, มันกลายเป็นโมหะสมาธิผลสมาธิเคลิ้มเคลิมสมาธิลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้จริงหรอกนี่เราเพ่อเล่นสมาธิอยู่ยี่สิบสองปีนะโอ้กว่าจะแยกแยะออกมาได้ครูบาอาจารย์ท่านชี้นาให้ด้วยลึงได้เข้าใจให้มันโ ง, ง่จริงเลยแทบด่าดตัวเองเลยเราโง่ทําอยู่ได้สังเกต ด, ดูใจของเราเห็นไหมว่ามันทํางานได้ มันเคล่นไหวมันเปลี่ยนแปลงตรงเนี้นะถ้าจะต่อเข้าสู่การเจริญปัญญาทำได้ง่ายนะเพราเราเห็นจิตมันท e ํางานทํางานไปเรื่อยนะใจเราค่อยๆเป็นคนดูขึ้นมาเราเห็นให้จิตมันทํางานได้เองตัวที่เห็นจิตมันทํางานได้เองเนี่ยเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตแล้วเราเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วเห็นความไม่เที่ยงของจิตไหมจิตเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวสาย ดูอย่างนี้นะ่ะไม่ว่าเห็นอนิจจ์ดูไปเรื่อยมันจะสงบหรือมันไม่สงบมันจะสายหรือมันจะตั้งมัน่นเราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้อ น, นี่เรือเห็นอนัตตาในขั้นเดินปัญญาถ้าดูจิตนั้นดูต่ออย่างนี้เลยนะดูจิตนี่นะเป็นกรรมฐานซึ่งหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นเป็นต้นต่อเหมือนกันคนนึกว่าหลวงปู่ดูลเป็นต้นต่อหรือบางคน หลวงผิดว่าหลวงพ่อประโมทเป็นต้นต่อไม่ใช่หรอกนะหลวงปู่ดูล น, นะภาวนาแต่หลวงปู่มั่นได้พรรษากว่าเมื่อได้พรรษากว่าเนี่ยท่านเข้าใจธรรมะเบื้องต้นไปหาหลวงปู่มั่นอีกพอพรรษาไปหาหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นสอนให้ดูจิตะโดยทั่วๆไปเนี่ยสายวัดป่าเนี่ยจะเข้าใจว่า ต้องดูกายไป็นฉันเป็นพระอนาคานะเราถึงจะดูจิตส่วนใหจะเชื่ออย่างนี้เลยหลวงปู่ตุลไม่ใช่พระอาคานะหัดพาวได้ไม่นานเลยไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าสเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาท่นดูสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนี่เอ มันโยงอยู่กับสัญญานะสัญญามันเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นให้สังขารทํางานตัวที่กระตุ้นให้จิตมันปรุงแต่งมันมีสองตัวสัญญากระเบท้อนาเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นจิตเรื่อคิดไปตามเรื่องของความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นก็คิดไปเรื่องของความทุกข์ตามมันนะั้นมีสัญญาเช่นเรานั่งอยู่ดีๆหน้าของคนคนหนึ่งบุดขึ้นมานใจเราปรุงต่อเลยเคยไหมอยู่ๆหน้าคนคนนี้ลืมไปตั้งหลายปีก็โผล่ขึ้นมา พอโผร่ขึ้นมาใจวนะ่าไม่รับก็เปลียนไปเลยนะี่ใจมันกะลุมต่อนะเนี่ยสัญญามาทํางานนะสัญการมันกลุกหลวงปู่ดูลัณฑ์ดูอยู่ไม่กี่เดือนเลยใช้เวลาไม่กี่เดือนนะท่านเห็นอริยสัจแห่งจิตท่านรู้เลยว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกขนะ์ท่านก็ทนทุกข์ไนะด้วยเวลาที่สั้นมากเลยรั้นต้นต่อของการดูจิตจริงๆมัจะหลวงปู่มันนะ่นนั่นแหละแล้วหลวงปู่ดูลัณฑ์ เรมาแต่หลวงปุ่ดูลไม่ได้สอนแต่ดูจิตลูกศิษย์ที่หลวงปู่ดูลสอนดูจิตก็มีไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่สอนดูกายเพราะว่าเขาเหมาะที่จะดูกายท่านก็สอนกายสอนดูจิตกับคนที่เหมาะมาที่จะดูจิตส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองนะพวกเรียนหนังสือเยอะๆพวกคนในเมืองพวกช่างจิตเลยสอนให้ดูจิตหลวงพ่อเคยดูกายนะตอนเจอหลวงปู่ดูลนั่งสมาธิ เคยได้ยินอุปัชฌรย์พูดเรื่องพิจารณากายดูผมเลยผมสลายไปนะเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะเปิดเลยนะเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกไปนะหัวขาดไปเลยนะสมาธิมันแรงนะดูเลยเนะื้อถลมถลายหมดเลยทั้งตัวนื้อดูตัว เ, เนื้อหนังนี่กระเด็นออกไปหมดเลอกระดูกดูกระดูกนั้นระเบิดเลี่ยงเลยเป็นชิ้นเล้ชิ้นน้อยนะยังไม่ยอมเลิกมนะันมันตกลงไปอยู่ที่พื้นเป็นเม็ดเล็ก ดูตามเลงไปสลายตัวเป็นแสงไปหมดเลยเลยรู้เลยรูปเนี่ยนะถ้าแยกออกไปสุดที่สุดกลายเป็นคลื่นนะั่นเองคลื่นแสงคลื่นอนะไรนันเองสลายสลายสลายไปดูเห่นนี้ก็เคยดูไม่ใช่ไม่ดูนะแต่ไม่ถูกจริตรู้สึกตื้นเกินไปไม่สับใจหลวพูดด่วนสอนให้ดูจิตใจตัวเองเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวมาไล่ดูเรื่อยๆดูได้จิตที่เป็นคนดูนะจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดู หลวงพ่อถึงสรุปออกมาได้ประโยคหนึ่งว่าถ้าพวกเราจะเจริญปัญญานะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางก็นะมีเงื่อนไขสองอันมีสติสติไปรู้อะไรรู้กายรู้ใจของตัวเองนะรู้ยังไง ร, รู้อะไรรู้ความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจแต่เราจะเห็นไต ร, รลักษณ์ของกายของใจได้เนะี่ย ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นไม้เป็นกลางคือมีจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนี่นั้นเราต้องฝึกให้มีสติให้ได้ฝึกให้มีสมาธิที่ถูกต้องให้ได้เราถึงจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจแล้วเป็นไตรลักษณ์ได้ลําพังเห็นกายเห็นใจไม่ใช่วิปัสสนาถ้าใครพูดว่าเห็นกายเห็นใจแล้วเป็นวิปัสสนาต้องบอกว่าเขาใจผิดต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้นะ ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูถ้ามีสติอย่างเดียวนะจะเห็นอะไรจะเห็นกายเห็นใจแต่จะไม่เห็นใจหลักแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูปุ๊บสติระลึกรู้กายมันจะเห็นในกายกับจิตเนี่ยคนละอันกายไม่ใช่เรานั่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าจะเกิดปัญญาเดินวิปัสสนาได้ไหมลําพังมีสติเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยมีสติรู้ท้องผ่องมีสติรู้ท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้อง ไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บ ม, มันจะเห็นในท้องที่พองไม่ใช่เราท้องที่ยุบไม่ใช่เรานะตัวที่พองตัวที่ยุบเนี่ยไม่ใช่เรานี่เห็นไตรลักษณ์งั้นตัวที่จะชี้ขาดไลยว่าเราจะภาวนานได้มั่งได้ผลในชีวิตนี้ไหมก็คือจิตเราตั้งมั่นไหมนะตัวนี้สําคัญมากต้องเรียนต้องฝึกนะพอรู้เรื่องไหมหลวงพ่อถือว่ามหเทศกาลสุดท้ายที่นี่นะ่ะดี๋จะไปแล้วไม่อยู่ล้ว นะที่อื่นเขาก็รอฟังอยู่นะรอเทศอยู่บริการนี่ใช้เวลาเยอะเหลือเกินนะประเทศอะไรไมนรู้โต๊ะโต๊เดินทางกันทีแนละ้วหมดนานนั่งเรือบินมาจากฟอลอริดานะห้5ชั่วโมงกว่านั่งตอนไปขึ้นเระบินนะไปนั่งบนระบินแล้วมันก็ไม่ออกทันทีนะแล้วมันก็บอกให้เชิญลงไปนั่งรอข้างล่างระบินเสีย รออีกสองชั่วโมงยังเราดับนึดนะั้นบุญของเรานะมันเสีย บ, บนบกอะบนดินน่ะ <c oughs> มันไม่ไปเสียกลางอากาศ <c oughs> นี่มองโลกแง่ดีไหมถ้ามองโลกแง่ร้ลยเสียอีกแล้วอยงู้นอ่นี้ก็แค่มันเสีย บ, บนดินนั่นแหละดีแล้วมันเหมาะสมแล้วเนี่ยกว่าจมาถึงนี่นะใช้เวลาสิบกว่าชั่วโมงสิบสามชั่วโมงนานประเทศนี่โต๊ะโต้พวกเรา โอกาสเจอหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเมืองไทยเนี่ยโอกาสน้อยมากนะประมาณศูนเปอร์เซนนะโอกาสว่าจะไม่มาแล้วล่ะนีพวกเราวิธีที่จะเจอหลวงพ่อนะคือภาวนาถ้าใครภาวนาเป็นน่ะจะเจอหลวงพ่อนะจะเจอภาวนาไม่เป็นไม่เจอหลวงเห็นอะไรเห็นร่างกายนี้เห็นรูปแบบอย่างนี้นะไม่รู้ว่าหลวงพ่อเป็นยังไงถ้าเราภาวนานะเจะรู้เลยว่า ทุกคำที่หลวงพษอเอนนียถอดหัวใจมาให้นะไม่ใช่หลอกหลอกเราเลยนะถ้าพอานามเป็นนะถึงจะรู้จักานามไม่เป็นไม่รู้จักพระอะไรว่าพูดอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เองฟังไม่รู้เรื่องข้าก็พูดไม่รู้เรื่องเลยถ้าเองฟังรู้เรื่องก็แสดงว่าวข้าพูดรู้เรื่องช่วยตัวเองนะมีปัญหาติดขัดเนะ่ยไม่ต้องถามใครไปเปิดซีดีฟังในซีดีมีทุกคาตอบ หลวงพ่อไม่ค่อยแนะนําให้ไปถามท่านนั้นถามท่านนี้นะสับสนมากเลยเรียนกรรมฐานนีรู้หลักนะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันมันก็สายนี้ดีสายนี้ไม่ดีสายนี้ถูกสายนี้ไม่ถูกแต่ทั้งนั่งสมาธิยังเถียงกันเลยมือจะวางแบบไหนนี่โป้งชนกันนี่โป้งชนกับนิ้วกลักชี้นี่นิ้วชี้ชนนิ้วชี้นือนั่งอย่างนี้นี่เถียงกันแต่เรื่องพวกนี้นะ เดินจงกรมจะเดินท่าไหนหนึ่งเก้าตยาวเท่าไหรสูงเท่าไหร่ไหนสาระที่สุดเลยไม่ได้ประโยชน์เลยพ่อแม่สอนเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละแต่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะครูคนแรกของเราคือพ่อแม่เราอยู่แล้วนะแล้วเราจะเป็น่วงเกิดครูของเราพ่อแม่เราสอนเราเดินไาอย่างไรเราก็เดินอย่างนั้นแหละสืว่เราขาสั้นข้างยาวข้างอย่ไห น, นจะให้ไปเดินเหมือนไอ้คนขาเท่ากันสองขาได้ไง เราก็เดินของเรากรเฟรกระเฟรกระเฟรไปนะเดินด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูก็เกิดปัญญารลุยแล้วไอ้ร่างกายที่เดินนี่ไม่ใช่เราหรอกนะหรือเห็นจิตใจมันทํางานได้เองเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวร้ายมันก็ทําของมันเองมันไม่ใช่เราหรอกนะดูไปดูไปเห็นไม่มีเราเสลยค่อยฝึกเอานะไม่ต้องไปเตียงกับใครหรอกใสายไหนใส่ไหนฝึกให้มีสติที่ถูกต้องฝึกให้จิตตั้งมั่น แล้วเมื่อสติเป็ระลึกรู้อะไรมันก็เห็นใจรักของสิ่งนั้นเหมือนกันหมดนะก็ามาถานอะไรก็เหมือนเหมือนกันยากไปไหมะทําไมที่ยากพี่ยาก <c oughs> หลวงพุฒดวนันสอนหลวงพ่อก <c oughs> ารปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะอ่าหนังสือมามากแล้วตอปนี้อันจิตตนเองสอนหลวงพ่อนะบางคนน่านก็สอนดูกาย สังดูจิตมันก็ทีแล้วก็เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเห็นมันไม่ใช่เราอะงี้ยจิตไม่ใช่ตัวเราอะไรใดก็ไม่เป็นเราหัดดูเรื่อยไปแล้มันเป็นอะไรันเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ก็สลัดจะสลัดจิตทิ้งพอทิ้งจิตไปแล้วนจะเกิดสภาวะหนึ่งนะที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกชื่อต่างๆกัน อย่างลวงตามมหาบัวนะท่านเรียกว่าธรรมธาตุตัวธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านเรียกธรรมธาตุเขาเป็นธาตุที่ส่งธรรมหลวงปุณณท่านเรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งะไม่ใช่มีจิตสองจิตสองก็ยังมีจิตสุสจิตทุกขจิตดีจิตหลายที่จิตหนึ่งคือจิตที่ไม่มีอะไรปลุงแต่ท่านพุทธทท่านเรียกว่าจิตเติมแท้นะก็แบบเดียวกันคือจิตที่ไม่มีอะไรปลุงโลวุปู่เทสท้าเรียกว่าใจ ธรรมชาติที่รู้ท่านเป็นธรรมะที่รู้หลวงปู่บุตรดาท่าเรียกว่าใจเดียวมีแต่ละชื่อไม่เหมือนกันสมเด็จพญาาสังวรท่านเรียกว่าวินญานธาตุมันเป็นธาตุและจากจิตที่กลับกรอกยอกย้อนนะฝึกไปเรื่อยเดีปล่อยของลอมจริงไปไนดะ้่อถ้าเจอของแท้ขึ้นมามันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมา จิตของพวกเราสบปรนะหน้าบางคนมักไล่บอกว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องเพราะจิตนี้ดีอยู่แล้วอ้างว่าพุทธเจ้าบอกว่าจิตนี้ประพัฒสอนเดิมจิตประพัฒสอนจะสร้างมองรักิเลส ท, ที่จอนมาจิตพระพัสอนว่าจิตสว่างประพัสอนแปลว่า ส, ส, สว่างไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์สบปรกมีอวิชชาคร่ำงำอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ เป็นรากเป็นเงาเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตั้งปวงงั้นเราก็มาทําลายอาวิชาด้วยการรู้อริยสัจให้ได้รู้อริยสัจ ต, ต้องรู้จักรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ต่อไปก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นมานี่คือเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์รู้ทุกข์ ไ, กกขกไปด้วยผูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็สรุปนะถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะว่ า, างี้นะเพราะเราบางคนไม่เข้าใจ ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนั่นันต้องอดข้าวเยอะๆเดินจงกรมเยอะๆเลยจะได้เห็นทุกข์อย่างนั้นไม่เได้ว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์คือเห็นความจริงของกายของใจพระเจ้าบอกสังคีตเตนะปันจูปาทานกันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้านี่เป็นตัวทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นขันมันทํางานนี่นะนั้นเรียนให้ถูกนะเนี่ยถูกหลักถูกเพียนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ร้วมสี่สิบองค์ องแรกคือท่านพอดีสอนสมถะให้องค์ที่สอนให้เดินปัญญาองแรกเลยก็หลวงปู่จุนก็หลวงพ่ อ, ลลงพอพุนแล้วก็หลวงปู่เทียนช่วงแรกๆเป็นสามองค์นี้ต่อมาพอเข้าใจอะไรบ้างแล้วรู้หลักแล้วนะก็ไปดูครูบาอาจารย์เรียนฟังแง่มุมแต่และองค์แต่และองค์ท่านสอนเรื่องเดียวกันเท่านะั้นอันเดียวกันองสุดท้ายหลวงปู่สุวัสดิ์ หลวงปู่สุวัสดิ์ท่านจะสอนคนอื่นยังไงหลวงพ่อไม่รู้นะแต่ท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยสุดท้ายที่เข้ามาที่หลัดอ่นปลอ่ปลอยวางจิตสอนอย่างนี้ยตรงครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านตอนนั้นบวชแล้วอันซารแรกนะบวชแล้วหาท่านถามธรรมะท่านไมตอบมีคนถ่ายวีดีโอไว้นะพวกโยมที่ไว้ปากเอาน้อยขอหลวงปู่สุวัสดนะิ์ก็ถ่ายวีดีโอไว้ ใครบอกว่าหลวท่อไม่ใช่รู้สึกย์หลวงปู่สวรไม่ใช่ะมีหลักฐานแล้วลงปู่สอนหลวงพ่อแบบเนี้ยราจะบอกว่าเราสอนเราสอนคิดอะไรก็ไม่ได้หลวงปู่สอนลงที่เดียวกันหมดลงที่จิตแต่ท่านสอนคนอื่นไงหลวงพ่อไม่รู้แต่ไม่เหมือนหลวปู่ลนะหลวงปูุดลเนี่ยหลวงพ่ออยู่กับท่านเดียวเลยและรู้จักลูกศิษท่านเยอะลูกศิษกรรมฐานนะลูกศิษย์ไม่กรรมฐานเนียยอะกว่ารู้สิษกรรมฐานนิด ลูศิกรรมฐานหลวงปู่ดูลยหลวงพ่อรู้จักเยอะงั้นจะรู้ว่าท่านสอนกมฐ า, านยังไงบ้างไปอ่านหนังสือแก่นธรรมรับสอนหลวงปู่ดูลน์ั้นะจะรวมคําสอนหลวงปู่ดูลย์ออกมาแต่คําสอนหลวงปู่สุบัสดิห์หลวงพ่ารวมไม่ได้ท่านสานพระอื่นองค์อื่นอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่สอนหลวงพ่อเนียเข้ามาที่จิตเลยวันนี้หลวพอสมควร น, นะเทศมันชั่วโมงชั่วโมงพอดีพอดี กันบ้านเลครับหลวงพ่อส่งกันบ้านนะหลวงพ่อ ส, นนส่งสารคนที่ส่งสุดท้ายอะส่งคนแ ร, แรกแรกบุญแล้วล่วะเะสีทุกค่ะคนแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะลองเป็นคนสุดท้ายไหม ถ้าเากิดพอให้โอกาสก็จะเป็นคนสุดท้ายก็ได้ค่ะรู้ว่า ค, ความมทุกีือตอนนี้กนะ็ตื่นเต้นแล้วก็รวมกับปิติยินดีก็รู้ทันเข้ามากระทบที่จิตแล้วก็กําลังจะแสดงออกทางกายเท่าที่ดูอยู่ก็อยากจะถามว่าหนูปฏิบัติมาพอสมควรทางด้านสมถะอยากจะขอคําแนะนําหลวงพ่อให้มีการตระหทันอย่าให้จิตติดอารมณ์นะค่ะในขณะนี้จิตยังติดอารมณ์ดูออกไหม ติดสุกเก็บกิเลสความสุกเล็กๆไม่พอเลี้ยงดูมนอยยหนูเคยเป็นประเภทที่ว่าชอบเลี้ยงกิเลสน่ารักน่ารักควยดูนะคะน่ะอย่าไปยอมมันนะด้วยความที่ว่าจิตใจไม่เด็ดเดี่ยวค่ะกิเลสน่ารักในเบื้องต้นนะข่มขืนในเบื้องปลายก็อยากจะขอกำลังใจและความเด็ดเดี่ยวเท่าที่ปฏิบัติมา ต้องต้องพยายามสอนตัวเองนะค่ะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเอาแค่นี้นะค่ะไม่ใช่เอาแค่ความสุขของสมาธิพร่เจ้สอนเลยบอกว่าเราปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เพื่อราบสักการะเพื่อชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อศีลเพื่อสมาธิไม่ใช่เพื่อปัญญาค่ะแต่เพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ถ้าเราอ้อยสร้อยอย้อยหญิงอยู่ในความสุขของสมาธินะอย่าไปยอมต้องสู้ตายงั้นเท่าที่ดู รู้ตัวอยู่ถูกจิตมันไม่ตั้งขึ้นมาค่ะจิตมันยังคลุกอยู่กับอารมณ์นะต้อแยกออกจากอารมณ์มันเป็นคนดูจริงๆก่อนเนี่ยขณะนี้มันยังเคล้าอยู่ในอารมณ์ค่ะนะถ้ารู้ทันเนี่ยมันก็แยกเองไม่ต้องให้มันแยกนะมันแยกเองแล้วที่มันเกิดเป็นช่วงๆนั่นนั่นเองนั้นนะดีอ๋อแล้วมันอยู่ครั้งหนึ่งอันนั้นที่ที่เอาอดีตขึ้นมาถามเป็นเพราะว่า ไม่อยากรู้ว่าตัวเองหลงหรือว่าตัวเงคิดไปเองจากสัญญาคือเคยอยู่ครั้งหนึ่งจิตละเอียดมากแล้วไปกระทบกับความทุกข์ซึ่งกายไม่สามารถรับได้แล้วก็เกิดกระเทือนกระเทือนจนกระทั่งดึงสเตกขึ้นมากลับแล้วมันก็เกิดหยุดการร้องไห้อันนั้นไม่ได้คิดเองใช่ไหมคะเออถ้ารู้ทันนะแล้วมันตัดเองตัดได้เออแต่ถ้ารู้ทันแล้วช่วยมันคิดก่อนแล้วมันตัดอันนี้ยังไม่ใช่ตัดเรารู้แต่ตัดเราคิดนะค่ะ ให้เราตัดเรารู้ตัดเราคิดง่ายเป็นสมถะค่ะแล้วมีอะไรต้องแนะนำแก้ไขเ อ, อยากฝึกให้จิตตั้งมั่นนะคะคฝึกสมาธินะสมาธิที่หนูฝึกนั้นเป็นสมาธิสงบไปค่ะมันมุ่งไปตัวนั้นมากไปแต่ไปนี้ฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นหนูหลวงพ่อเสีย<ๆ>เวลาทั้งยี่สิบสองปีตัวเนี้ยแต่ว่ามาเจะโรวงพุทศนะมีอยู่คราวหนึ่งนั่นสมาธิ จิตมันเคลื่อนไปจะเข้าไปจับอารมณ์ของเคลื่อนไปนะเราเห็นมันเคลื่อนนะถ้าไม่จับเนี่ยแถอยทวนเข้าหาตัวรู้พอตัวท่ามาตัวรู้จะมาจับตัวรู้ไม่จับเนี่ยแบบเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลอนออกนะมันรวมลงตรงกลางแบบนี้ลูกอัธดาดเนี่ยแปลกมากเลยเป็นสภาวะที่แบบโอยนิพพานนะมั้งทำตรงนี้นานๆจะนิพพานนะมั้งทำไปหลายๆวันนู้ยนี่มันสมถะนะค่ะเนี่ยสมาธิมันหลากหลายนะ มันไปหลอกเราให้หลงได้เยอะแยะเลยมีเยอะจิตขนาดนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขค่ะตื่นเต้นแล้วก็สุขตอนนี้กับตะกี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วนะตอนนี้เริ่มเจือทุกข์เข้ามาแล้วเริเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปแ่ล้วนั่นแหละนั่นแหละมันทุกข์เริ่มจะนีแล้วค่ะ้ปไปดูนะเห็นไหมเห็นนั่นความเปลี่ยนแปลงของมันะ ที่ว่าปิติที่ว่าสุกใช่ไหมอยู่ช่วงคราววัสลายแล้วกลายเป็นทุกขนะ์แล้วนี่ทุกข์นะไม่ใช่ฝึกให้สุขนะแต่ฝึกให้เห็นความจริงว่าไม่เชื่ยงฝึกให้เห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ร่างสวยร่างงามมากต้องดูตายเมื่อยตายเลย <laughs> <laughs> ้มันจะเพ่งแรง ไ, ไปแก๊สมันจะเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งสุดท้ายจะเป็นนี <c oughs> ่นี่ไปเพ่งมันมันเร็วไปนะ อ, อย่างหายใจในชะ่ไห ม, มก็ไม่เร็วไปเดินจงกรมมันก็ไม่เร็วไปนี้านะ <c oughs> พักเดี๋ยวก็วเพ่งนะคำนันมาสกครั้งคหลวงพ่อสนยูงจะเริ่มปฏิบัต มาได้ไม่นานนะคะแล้วก็พยายามฝึกนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วจะรู้สึก ม, ม, นะมึนๆเลิกเลิกเลิกมันโมหะมันผิดตอนนั่งมันผิดตั้งแต่เริ่มนั่งนั่งซิแก้ดำจ น, น ต, ตรงนี้หละ ว, วางใหม้ไว้แล้วเกิดจิตรวมไม้เด่น <c oughs> นั่งไปลืมหลบงพ่อเริ่มรู้สึกอะไรเราไปบีบจิตแล้วถอยขึ้นมาเลยมันผิดตั้แต่ตรงนี้และ ปีบไปเ ร, เ, รเรื่อยๆแล้วนิ่งไปแล้วถอยออกมาค้างออกมาอย่างนี้น<ะ>เลยไม่ผิดตั้งแต่จุดแรกเลยเวลานั่งสมาธิอย่าอยากสงบแค่คิดว่าเราจะนั่งบูชาพระพุทธเจ้าแค่คิดว่าเรา น, นั่งรู้ลมหายใจออกหายใจเข้านั่งแค่รู้ไม่นั่งเอาอะไรไม่ได้นั่งเอาสงบของหลวงมุ่งจะเอาสงบมือไปปีบจิตจะให้นิ่งนะโมหันเรือแซดไยแล้วควรจะ เนี่ยวิีนั่งสมาธิทําให้ดูเด็ดผิดแล้วไปรวบเข้ามาแล้ววิธีนั่งสม า, มมาธมาิเหรอง่ายนิกสูตทั้งหลายหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวไายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวแค่รู้นะ้นไม่มีคําว่าบังคับท่านสอนสมาธิง่ายมากเลยคุณเจ้าดูกรักนิกสูตทั้งหลายให้เธอคูปันลังนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิ ถ้าไม่มีเก้าอี้จะนั่งนนั่งกับสมาธิตั้งกายตรงดํำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีคําว่าหลับตาเลยสัไปอยสูจน์ทั้งหลายให้คู้ก่พลังตั้งกายตรงดํำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวพอเราไม่ได้ทําอย่างที่ท่านบอกเราพิสูเน์ทั้งหลายวางฟอร์มวางฟอร์มทางกายเสร็จแล้วนะทําใจให้ขึ้นขึ้นเะนี่ยทำไม่ขึ้น แล้วก็หายใจไปหายใจให้สงบนะไม่ได้มีอะไรตรงอ่ะที่ท่านสอนมันถึงยากเลยถ้าทำอย่าที่ท่านสอนนะง่ายมากหายใจทีเดียวพอสงบ น, ะนี่หันลุกนะนเหมือนกับเรานั่งสบายๆแล้วก็ให้นั่งสบายๆดูให้ตัวนี้หายใจอย่าให้เคริมอย่านั่งออกเคริมนะไอ้แก้ต่อนะอะไรนลจะนั่งเอาเคริม เทศกาลหลวงพ่อก็อยากทราบว่าการปฏิบัติเป็นเหตุร่างค่ะอืมครับปฏิบัติจะเป็นอะไรไม่เป็นหรอกเหตุท <c oughs> <c oughs> ี่การนั่งสมาธิแล้วก็มันทำรู้สึกว่าบ า, างครั้งติดสุขนั่นแติดติดสมาธินะคะถ้าติดสมาธิอย่างนี้ให้มาดูกายพวกที่ติดสมาธิต้องดูกายน ะ, ะดูจิตไม่ได้ว่าจะไม่มีอะไรให้ดูจะนิ่งค<ะ>ดูไปเลยดึงดึงด้วยใจนะต้องดึงหิ่งดึงผมไปกองนึ่ง ควักลูกตาไปวางไว้ข้างหนึ่งอย่างนี้นะแยกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเล่นอย่างนี้แหละไปลองเล่นดูนะจิตมันชอบแยกใยกแยกแยกร่างกายหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตอั้งเดียวสงบอยู่พอถอยออกจากสมาธิแล้วมีร่างกายมาปุ๊บจะรู้สึกเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเนี่ยแยกขันหลาการละเมอการครับผม ก็เคยเปรียบมาระยะหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าหยุดคิดห้ามคิดในขณะนั้นจิตจะน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจอืเหมือนกับว่าเป็นเป็นที่อยู่เป็นฐานนั้นนครับเป็นลมหายใจแล้วตรงนั้นนะเป็นลักษณะของการบังคับจิตหรือเปล่าใช่อันนั้นน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเ น, นื่องยิ่งพันคำสมถะ เพราะด้วยความที่เคยทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเวลาเกิดอาการกลัวเนี่ยจิตจะน้อมเข้ามาสู่อารมณ์หายใจแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไปเปลี่ยนผนลมสบายครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อเคยคือไปนอนอยู่าถียงนานะครับพ่อแล้วกลางคืนเนี่ยพ่อจะไปจับปลาจับกบแล้วให้นอนคนเดียวออแล้วเกิดอาการกลัวพ่อบอกว่าให้ดูลมหายใจแล้วก็พ่่ตพ่อฉลาดดี พอสอนดีครับโมทนามีพ่อดีแล้วมีครั้งหนึ่งที่นั่งแล้วจิตมันวูบมันเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับนั่งเครื่องบินแล้วแล้วเครื่องวินมันมันมันตกหมาอมากอากาศอะจีนมันลมนะแต่มันยังไม่ชํานาญแล้วมันจะเย็นทั่วทั้งตัวแล้วรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับเราดิ่งลงไปในที่อะไรสักแห่งหนึ่งแล้วแล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันเร็วไปแล้วก็เลยถอยออกมาพอถอยออกมาแล้ว ตั้งต่วันนั้นจะถึงวันนี้ไม่สามารถเข้าตรงนั้นอีกลทอย่าอยากสิถ้าอยากจะไม่เข้าเลยตอนนั้นที่เข้าได้เขาไม่ได้ตั้งใจสมาธินะเริ่มเมื่อหมดความจงใจมีปั ส, สนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหลกงพ่พูดสอนเลยถ้าเราจงใจไม่รวมหลอกคิดได้สมาธิทั้งดีครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเวลานั่งบางครั้งที่ จิตมันนิ่งแล้ว ร, รู้สึกว่าร่างกายมันมันเกิดอาการเจ็บปวดจากการทํางานเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดออกความรู้สึกว่าพเพราะเราไปทํางานหนักเพราะอะไรตรงนี้แล้วมันเกิดความโกรธตัวเองขึ้นมาอืมรวมทั้งโกรธ<อ><อ>คนที่เกี่ยวข้องอะไรต่งางๆพวกนี้ให้รู้ไปนะต่อไปถ้ามันเกิดเจ็บปวดในร่างกายก็ค่อยดูอย่าเพิ่งไปโกรธใครนะดูไป้เห็นว่าร่างกายก็อันนึงความปวดก็อันนึงจิตที่เป็นคนดูก็อันหนึง่งถ้าแยงได้จะดี แต่ถ้ามันไปโกรธขึ้นมาก็ดูไปที่โกรธให้เห็นว่าความโกรธกับจิตเนี่ยเป็นโครานไม่แยกอีกครับอัดแยกไปได้ๆจนกระทั่งเห็นว่าจิตกับความโกรธโครานกันนะไม่ใช่เดียวจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธแล้วนฝะึนะนะอกอย่างสุดท้ายก็เห็นเลยตัวอย่างเกิดแล้ดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดแล้วก็ดับความปวดเมื่อยเกิดแล้วก็ดับนะถ้าไปฝึกอย่างนั้นตะิดสมถะ ครับขออนญาตินะครับคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดก็คือในขณะที่รู้มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันเหมือนกับความจําเดิมที่เราเคยอ่านเคยเรียนเคยฟังครูบอาจารย์มาพอมันเกิดขึ้นแล้วน่าเดี๋ยวมันก็ดับไปในขณะตรงนั้นเ ล, เลยแยกไม่ออกว่าสิ่งนั้นเพราะว่าจิตเรารู้เองหรือว่าเพราะสัญญาเก่าที่เราเคยเรียนรู้มาเราดูซักแล้วซักอีกนะนะต่อไปนี้ยความสุขเกิดขึ้นให้รู้ความทุกข์เกิดขึ้นรู้นะ ดูไปเรื่อยได้เห็นมันดับไปอะไรเกิดอะไรนั้ก็ดับดูบ่อยๆอย่าไปกังวลว่าตรงนี้รู้หรือคิดนะักปฏิบัติเริ่มมีปรัสนาใหม่ๆชอบกังวลไอ้นี่รู้จริงหรือว่าเจอคิดนะอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะดูบ่อยๆจนมันชำนาญหรือเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะฝึกอย่างนั้นครับแล้วได้กรณีที่ว่าอย่างจริงๆไม่ได้เกิดกับตัวเองเกิดกับเพื่อน กับคนนี่อยู่ในสังคมคือนั่งสมาธิแล้วภาพเก่าที่เขาเคยทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่สามารถนั่งต่อได้ให้เขาแผ่เมตตาไปแผ่ส่วนบุญส่วนคุลไปนะก็ตั้ใจอ่อ น, นานไหมวิบากมันควรล้วเขาเขาไม่มีพื้นฐานด้านสมาธิไม่ไม่ได้รับถึงพุทธศาสนาด้วยเขาไปไปลบแล้วแล้วไปฆ่าคนแล้วก็ พอกลับเมาแล้วเนี่ยมั น, ม, นมันไม่สามารถรักษาอาการปกติของตัวเองได้มไม่ทราบนี่คำแนะนำอะไรนะจปกติหรือเปล่าเปลี่ยนหน้าอะไรเงี้ยไหมตรงนี้ไม่ทราบครับก็กราบผู้เรียนขอคําแนะนําครับไหลวงพ่อไม่เจอไม่รู้ดูไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าใครครับกราบขอบคุณครับกอาใครต่อ เดี๋ยวต้องขยับมาหน่อยที่ตอบคำถามแล้วเรียเลยแยกๆมันทีนึงนะครับโคงครับเพราะว่าไมค์ใ่ไม่ถึงเดี๋ยวจะลืมะครับากงานนี้นะครับรานมัสการหลวงพ่อค่ะหนูสังเกตสภาพจิตของหนูเมื่อวานที่ฟังเทศหลวงพ่อกับวันนี้ค่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อวานนี้หนูจะรู้สึกมันเบาสบาย แล้วก็เรู้ทานที่มันออกไปเร็วค่ะแต่วันนี้เหมือนกับมันตั้งใจจะดีเปล่าหนูไม่ทราบเพราะหนูไม่รอวันนี้ให <c oughs> ้กับฉลากมาไม่มันมันจะแน่นก่อ น, แ น, นแน่นก่อนเพราะตั้งใจว่าวันนี้อยากจะส่งกันบ้านหลวงคอยแล้วแต่มันเป็นเพ้าเรื่องนั้นะที่หนูฝึกอยู่ในในชัได้แล้วน <c oughs> ทํามาดีแล้วค <c oughs> ่ะันก็แยกแล้ว คุณนา้ากันนะว่ากาลังจะส่งพอดีหนูอยทั้งส่งแล้วนะคะค่ะอ๋อมีอันนึงค่ะพี่สาวหนูที่แซนดิเกโกฝากมา ก, ามกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะอืมหลวงพ่อไม่รู้ใครพี่หนูน้องหนูกร <c oughs> าบนมันสการหลวงพ่อครับอ่อผมมีอยู่ปฏิบัติอยู่ครั้งหนึ่งนั่งๆั่งอยู่เนี่ยไปแล้วมันไปรับรู้ถึงสภาวะพวก คลื่นแสงพวกแรงสัญเสือนพวกนี้ยออือของพวกนี้นี่ไม่ทราบว่ามันมีสาระไหมครับที่การที่ไปรู้มันเห็นการไม่ว่าไม่ว่าจะรู้อะไรนะ ใ, ให้กลับเข้ามารู้ทางจิตตนเองเช่นเราไปรู้คลื่นต่างๆนะอย่าว่าแต่คลื่นอย่างนี้เห็น<ม>เป็นภาพเปลียแปลออกมาเลยเป็นผีเอ็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนานคตเห็นมาราจิตคนอื่นอะไรอย่างนี้นเนะเสร็จแล้วกลับมารู้ทางจิตตนเองครับะยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้ สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้กลัวก็รู้สงสัยก็รู้กับเข้ามาที่จิตครับเมื่อวานที่ผมผมฟังหลวงพ่อเทศนะฮะธรรมาดาเนี่ยดูโลมาหายใจอยู่ mm hmm. เอพอไปสักพักนึงมันจะเป็นกลายเป็นแสงเอ mm hmm. จะเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆกับหมอกอะไรสักอย่างป็นแสงมาดูไปก็ดูอยู่มันเห็นการเกิดดับของมันอยู่อื mm hmm. แต่เมื่อวานนี่าดูเนี่ยไม่ให้ถล่มลงไปดู mm hmm. เห็นมันเกิดดับเพราะเราไม่ไม่ไหลเข้าไปด้วยนะครับ ถ้าถล่มเราไปพบไม่ถูกรับจิตไม่ตั้งมันเมื่อวานนี้มันมันมาเก็ตเด็ดที่ว่าหลวงพ่อพูดถึงว่าระหว่างที่ดูลมหายใจที่มันเป็นแสงอยู่เนี่ยหรือเมื่อความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ไประเลิกรูตรงนั้นวันนี้ผมใช้เป็นกรรมฐานได้ไหมครับได้คือไม่ใช่ความคิดผุดอนะนะหมายถึงว่าไม่ว่าอไรแปลกปลอมเข้ามาให้แค่รู้แค่เห็นไม่ให้ไหลตามมันไปะเวลาเรารู้ลมหายใจไม่ให้จิตไหลไปอยู่ที่ลม เวลารู้แสงไม่ให้จิตไหลเข้าไปอยู่กับแสง เ, นะเวลามีอะไรเกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นไม่ให้ไหลาตามมันไปพวกเราพวกที่หัดดูจิตดูใจต้องระวังไว้เรื่องนะเพราะว่าอยู่ห่างหลวงพ่อมันจะเกิดภาวะอย่างหนึ่งขึ้นมาคือพอเราเห็นจิตมันเกิดดับได้แล้วเนี่ยเรียกว่าเราเริ่มเดินวิปัสสนานะทุกคนจะต้องเจอวิปัสสนุปกิเลสนะวิปัสสนุปกิเลสเนะียคนเก่งถึงจะเจอทํำวิปัสนาได้แล้วเจอทุกคนไม่มีทางเลี่ยงเลย เราพวกเราดูจิตในวิยมีปัจจนตัวแรกเลยนะที่เรียกว่าโอภาสมันจะเกิดมันเกิดจากเงี้ยจิตมันไม่ถึงฐานทีเดียวอย่างเราดูดูอยู่เราเห็นกิเลสมันพุ่ขึ้นมานะเราไปดูที่ตัวกิเลจิตมันถล่มไปจ้องกิเลนั้กกิเลนเด็เคลื่อนหนีไเลยสมันม่นเดเคลื่อนหนีออกข้างนอกไปนะพอเคลื่อนหนีออกไปข้างนอกเนี่ยจิตเราก็ไหลออกไปอยู่ข้างหน้าเงี้ยแล้วมันกิเลสตับไปจิตเราก็ว่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้ทันว่าตอนเนี้ยจิตเคลื่อนออกจากฐานแล้วว่าจะว่างสว่างอยู่เงี้ยเป็นปีๆเลยนะ แล้วเวลาพูดถึงการปฏิบัติที่แล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบจิตใจมีความสุขสงบสบายกี่ปีกีป่ปีก็สบายอยู่แล้วนะเรียกว่าจิตมันไม่เข้าบ้านนะอย่างนี้ยมันไม่เดินปัญญา จ, จริงหลวงพ่อเคยเห็นนะตอนนั้นภาวนาก็พอรู้เรื่องแล้วแนหะภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ทําไมไม่พัฒนาเลยนะมีแต่ความสุขทีนะ่เจอหลวงตามหาบัวเนี่ยตอนะตนั้นที่บ้านตาในคนอย่างน้อย ขึ้นไปหาท่านได้ที่ท่านฉันข้าวอยู่ข้างบนศาลาไมานะ้ขึ้นไปบอกท่าอาจารย์ครับผมข อ, อการนะท่านหายไม่ถูกเดี้อความเนื้อความเรายังไม่ว่างนะท่านก็สั่งพระทำโน้นทำนี่เรากาลังจัดลาสนะใส่ฉันข้าวเก็สั่งงานเสร็จพอใจท่านทำหไหวเลยบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตนะ่ะผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆแต่ทําไมมันไม่พัฒนา ช่วนี้ไม่พัฒนาท่านบอกว่าที่ดูจิตที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วเนี่ยจะเกิดสภาวะอย่างเงี้ยดูไม่ถึงจิตแล้วไปอยู่ข้างนอกต้องเชื่อเรานะอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้นะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้พอท่านบอกงี้แล้วก็เนี่ยมาพุโทโธพุโทโธใจนี่แน่นจะระเบิดเลยเออเราไม่ทําไมท่านให้บริกรรมท่านให้บริกรรมเนี่ยแล้วท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตนีแสดงว่าจิตเราเคลื่อนออกไปข้างนอกเลยเราไม่เห็น แต่ว่าเราไม่ถ น, น, ถนนะันบริกรรมท่านถนันบริกรรมท่าว่าบริกรรมดีที่สุดหลวงพ่อถนัดลงหายใจหลวงพ่อก็ไม่บริกรรมนะกลับมาหายใจหายใจไม่กิตจิตเราจิตเข้าบ้านเมู๊ดแทบเขวัวตัวเองเลยจิตไปสว่างอยู่ข้างนอกเป็นปีเลยนี่ยพวกเราจะเจอนะจะเจอกันเป็นแฉบๆนั้นต่อไปรู้สึกย์หลวงพ่อประโมดไปไหนทาน น, น่านวลมีแต่คนสูงอย่างนี้ติดแล้วให้รู้เลยจิตไม่เข้าบ้านกลับมาดูกายไปเลย ถ้าดูเข้ามาที่จิตนะมันจะเด้งออกเด้กออกนให้ดูกายดูกายสักพักหนึ่งพอจิตมีแรงมันจะเข้ามาที่จิตได้อันนี้ฝากทั่วทั่วไปนะส่วนใหญ่จะติดกับตัวเนี้เรียก <นะ S 2> ว่ามีปัสสนเบอร์หนึ่งเรียกว่าโอภาษ์เคยได้ยินหลวงพ่อเทศนะครับว่าในขณะที่ดูลหมหายใจขนาดที่มันเป็นแสงนเนี่ยเห็นว่า ย, ย่อดได้ขยายได้นะแต่ของผมที่บงังคับไม่ได้ทั้งสอง้หมันจะดับลงมาเรื่รอยๆ เคยมีดูอยู่ครั้งหนึ่งมันระเบิดตัวออกอมันเป็นตูวแตกกันถ้าอย่านั้นออดีดูมันเกิดดับไปเลยดีเรียปัญญาไปรตรงที่เล่นอย่างนี้เล่นสมถะย่อยๆด้ใหญ่ได้มันมันอิ่มอกอิ่มใจนะเกิดปีติรตรงที่จิตเข้าไปจับที่แสงนี่เรียกว่าตกจิตเคล้าอยู่กับแสงนะี่วิจารมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่กับแสงนะ่ได้ฌานที่หนึ่งนะ ประมาสติระลึก ร, รู้นะว่าจิตเป็นเครื่องไปที่แสงะจิตถ้าทวนกระแสกลับพมาตั้งมัน่นขึ้นมาตัากที่ตกทิ่านันเลยมีปีติมีความสุขตั้งมั่นอยู่ตัวเนี้ยจิตถึงฐานนะจะถึงฐานในฌานที่สองนะั้นที่หนึ่งไม่ถึงฐานมันจะไปอยู่ที่ที่แสงแต่ตรงฌานเนี้ยบางกรรมฐานเนี่ยไม่มีนิมิตนะไม่มีปฏิภาณนิมิตถ้าเป็นกรรมฐานมีปฏิภาณนิมิตจะมาเป็นแสง ไม่กรรมฐานไม่มีปฏิภาคย่ายแต่เมตตาไม่มีปฏิภาณนะไปทำอีกนะเล่นนเดี๋ยวสายเขาขานยะคุณนิรันจะเดือดร้อน <c oughs> กรรมนัสการ์หลวงพระปามโมทครับออผมก็อยากจะถามว่าการที่ผมดูลมหายใจในขณะนี้ครับก็ไม่ทราบว <พอ S 1> <ด>่าเนี่ยดูให้ลงพ่อดูสิ ไปดูลมหายใจให้ดูซอย่างนี้จ้องลมหายใจนะไปเพ่งมันแร้ไปปกติตอนไม่ปฏิบัติเนะี่ยหายใจยไหมหายใจครับเ อ, อนะหายใจแล้วตอนทอ น, นึกถึงปฏิบัติก็แค่เห็นมันหายใจต่อไปเองนะไม่ไปจ้องเลยอย่างนี้ใจจะเครียดไปใจจะเน้นๆสงสัยทราบไหมความสงสัยผุดขึ้นมารู้ทันว่าสงสัยแล้ว อะไรๆปวดขึ้น ม, ามัาจะปุดขึ้นจากกลางอกเนี่ยมันปวดอะไรปุดขึ้นมาก็รู้ว่าอะไรปวดมาจิตนี้ไปคิดไหมตอนนี้ไม่ไม่คิดนะ <c oughs> ไปคิดเหมือนคิบ้านเหมือนแะค่รูตานเราขณะนี้ตะตะกี้จิดเหมือนกันไหม <c oughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะรู้สึกไหมมันโปร่งมันโลกมันสบายกว่านะี ตรงที่เราไปบังคับมันนะจะแน่นแน่นไม่ถูกหรอกอี่ยไปบังรับนแค่รู้สึกมันสบายๆแล้วใจจะโล่งสว่างขึน้นมาเห็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ า, านขึ้นมะแล้วส่งเชียวนอกนแล้วอย่างผมเนี่ยต้องดูดูกายหรือว่าดูใจเป็นคนช่างคิดนะก็ะดูจิตไปดูกายด้วยก็ได้มันเห็นเองครันเห็นร่างกายเห็นทั้งจิตมันไม่มีออกสายไหน ก็อย่างในกรณีที่ผมแบบปฏิบัติสมาทานครับก็นั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกกับ ส, รร ส, รรสรรันสันยังไงก็ให้รู้ว่าสันให้รู้ว่าสันให้รู้าทันจิตเนะสันแล้วจิตมันสงสัยว่าอะไรนะรู้ว่าจิตสงสัยสันแล้วก็รู้ว่าถ้าจะดีแล้วดีใจแล้วนะรู้ว่าดีใจสันแล้วก็รู้ทันจิตครับมีแค่ น, ค น, นี้ครับวันนี้เน้น น, ะนั่งสมาธิเยอะเลยนะพี่ ส่งกันบ้านนะหลายคนเลยกาบนมันสการของพ่อค่ะส่งกันบ้านขั้นแรกค่ะก็จากการเจริญสติปัะฐานสี่นะคะใช่แล้วก็ปฏิบัติทำตามกิจวัตรประจาวันกีจการทำงานด้วยค่ะก็เห็นความรู้สึกของตัวเองที่ ม, มีผัสสะอยู่นะค ะ, ะเวลากระทบแล้วก็รู้แค่สัญญากับ รู้เวทนาค่ะรู้ความรู้สึกก่อนก็รู้สพอรู้สัญญาแล้วใช้ปัญญาตัดออกไปค่ะโดยที่ว่าเราเจริญสติเห oh, ็นรูปนามมากขึ้นค่ะอย่าไปตัดมันนะหน้าที่ตัดเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราล้วรู้อย่างที่มันเป็นให้ให้เขาตัดเองนะมันตัดโดยที่เราไม่ได้คิดต่อจากปุุงต่อค่ะ ตัดแล้วใจหลง่งเบาหรือใจแข็งแข็งตัดแล้วใจก็มันวางออกไปวางเฉยได้ค่ะใจจะเบิกบานไหมเบาไหมหรือตัดแล้วแข็งแข็งแน่นแมันสบายเฉยๆค่ะเพราะว่ารู้ว่ามันเกิดมันมันเหตุเป็นใจอะค่ะเอออย่าให้คิดนำนะไม่ได้บางอย่างก็คิดนำแต่บางอย่างก็ไม่ได้คิดน ำ, นำจะไ่เป็นวิปัสสนานะไม่เป็นสมถะอันนี้ใช่ สถ้าคิดนำนะจะเป็นสมถะแต่ถ้าไม่คิดนําเนี่ยเห็นสภาวะมันมาแล้วก็ไปมันเป็นเองเนี่ยนะที่เป็นปัตจสมานะส่วนมากที่จะเป็นเจริญปัญญาที่จะมาเข้าเนี่ยมันเจอมันจะเป็นแบบชนิดที่ว่าเหมือนกระลูกกับน้ำที่เราเห็นขันของเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะพอขันมันไปถึงตรงนี้เพราเรารู้แล้วมันปัญญามันก็รู้ทันทีว่าถ้าไปแล้วมันต้องทุกข์แน่ คือเราเห็นว่าสิ่งที่เราจะอยากไปเนี่ยมันจะเป็นทุกข์แต่เราดูเหตุปัจจัยว่าเราจะควรจะพูดหรือหยุดหรือต่อหรืออะไรอย่างเนี้ยจะเลยให้นี่ไปเรื่อยๆให้รู้<ห>สภาวะอย่างที่เขาเป็นนะอย่างสเช่น ค, ความอยากเกิดขึ้นรู้ทันความอยากดับไปแล้วครานี้ก็เหลือเหตุผ ล, ละนะตรงที่เราใช้เหตุผ ล, ลอันนี้ควรพูดอันนี้ไม่ควรพูดตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติล ะ, ะนะนไม่ใช้วิปัสสนาะงานวิปัสสนาเสร็จตรงที่จิตเป็นอิสระขึ้นมาไม่ไหลตาม กิเลสไปกิเลสเข้ากลัไม่ได้แนะ้วใจรู้เด้อรู้ตัวแล้วตอนนี้คิดเอาว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้เป็นเรื่องการใช่เหตุผลนะส่วนหลังเนี่ยไม่ใช่วิปัสนานะแต่ส่วนแรกเป็นวิปัสนาตรงที่รู้ตามที่มันเป็นเป็นวิปัสนาแต่รู้สึกว่าการที่เราไม่ค่อยทุกกับเรื่องมันน้นสนะะัครับอันนี้มันมันก็นสบายไงมันสบายเออมันสบายเป็นสมนถะเลย ถ้าเราคิดตำไปนะไม่เป็นสมถะเลยแต่เวลาว เ, ลเวลาการปฏิบัติทุกครั้งที่ที่การทำงานหรืออะไรนะมันจะเห็นสภาวะอยู่เรื่ อ, อยๆเห็นอง น, น, น้นะดีะดี น, นั่นอย่างนั้นนะทูเดี๋ยวเราพานาดีนะขอบพระคุณค่ะแล้วก็อยากขอเสียมีนะนน ช, ช่างคิดเลยใช่ค่ะ พรว่าตอนฝึกตอนใหม่ๆมันประสบการณ์เยอะกว่าจะเห็นตัวคิดกว่าจะเห็นขันห้ามตัวเองได้นะกว่าจะทิ้งตัวนี้ได้นะเยอมากเลยยให้คิด่ะค่ะตอนนั้นกว่าจะกว่าจะมาเห็นคือฟังธรรมะของอาจารย์ด้วยค่ะแล้วมันถึงจะเห็นตัวเองว่าโอ้นี่ที่ท่านบอกว่านิ่งไปนะตรงนี้ไปนะใช่จริงๆหมดเลยค่ะ ก็เลยรู้ตัวนี้ได้ก็เลยปล่อยออกละออกไปตามซีดีของที่ท่านที่ฟังค่ะเราไม่โจรใจผลสุดท้ายมาถึงขั้นสุดท้ายก็เห็นมันเป็นเกิดดับด้วยความปัญญาคิดออกมาอย่างนั้นเองเราไม่คิดเลยเห็นมันเกิดดับต่อหน้าต่อตาไม่ได้คิดเลยเห็นค่ะเห็นความรู้สึกทุกอย่างที่มัแบย่างนั้นดีเห็นความรู้สึกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนั้นดีถูกแล้วก็ท่านควรจะให้โยกระวางนี่อย่าไคิดนํา ถ้าคิดแล้วเห็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนั่นคือตัวรู้ใช่หรือเปล่าคระไอ้นั่นตัวคิดตัวคิดอย่าไปคิดนํานะความคิดจะปิดบังความจริงเพราะเราอยากคิดนั้นอยากคิดตามกิเลสอยกคิดถึงนี่พอกางตำราคิดตามตาราแล้วก็คิดเพราะกิเลสอีกเลยขอบพระคุณครับคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่าคิดถึงรู้นะ ที่นี่ตื่นเต้นกันเลยสต่อครับอยากจะถามคำถามหนึ่งเวลาผมรู้ว่าผมโกรธผมรู้ว่าผมชอบผมรู้ว่าผมไม่ชอบแต่ว่าผมเห็นแต่ว่ามันมันไม่เห็นว่ามันไม่แยกกายแยกใจครับค่อยค่อยดูไปนะเห็งความชอบเกิดมาใจเราเป็นคนดูความชอบหายไปใจเราเป็นคนดูมันค่อยจะค่อยเห็นนะความชอบกับใจกขข็คนรละอันกัน แต่ความลบความโกรธความหลงเกิดมาแล้วก็ดับไปใจเป็นคนดูอยู่นานไปก็จะรู้ว่าโลภตรวจลงกับใจก็คนละอนกันต้องฝึกไปเรื<ๆ>่อยๆหลวงตาเฮามัวสอนนะว่าถ้าแยกธาแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราหนะว่าเดินปัญญาสอนขนาดนี้นะอ่นักปฏิบัติรุ่นหลังให้ฮามก็จะทำแต่สงบไม่ไม่เข้าใจเรื่องแยกธาตุแยกขันธนะ์ใช้ไม่ได้เราะการปฏิบัติ จิตใจเป็นไงขณะนี้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เฉยเยเฉยเยเฉยเพระบังคับไว้เลยเฉยเยเองบังคับเอื้อตับถูกผ่านอย่างนี้ใช้ได้เองจนโยมเมืองไทยเขารู้ว่าถ้าหลวงพ่อถามว่าจิตขนานี้ถึงฐานไม่ให้ตอบว่าไม่ถึงฐานนะถ้าถึงฐานแล้วคงไม่ตอบดังนั้นเจ้าเล่ไปหน่อย ก็ไม่มีละอือคนจากที่องคนนั่นมาสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ยมตื่นเต้นค่ะที่ยมฝึกเขาใช้ได้นะขันเขาแยกเคยเริ่มทำสมาธิด้วยการนอนทำเพื่อที่จะให้นอนหลับแล้วก็มันจะมีช่วงที่มันดิ่งลงไปเหมือนคนงี้ค่ะอ่อก็ดีใจละโอ้เดี๋ยวหลับแลวค่ะอะไรเงี้ยค่ะ บางครั้งก็เหมือนก้ฟาฟาบเปรี้ยงลงมาตกใจมากเลยค่ะหรือบางทีก็มีแสงตามแป๊บเดียวกลัวรีบกลับอย่าตามไปนะแต่ตอนนี้หลังจากฟังหลวงพ่อก็คิดว่าอ๋อเราจะต้องทำแบบคือพยายามตั้งใจทำให้มันหลับแต่พอนั่งทำเนี่ยมันปวดขาปวดขานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็ อายใจไม่สะดวกก็เลยได้แต่ น, อน้อยถ้าทำตอนกลางวันไม่หลับแต่ทําตอนกลางคืนหลับแต่ก็แบบว่าก็ทำกงวันให้เยอะหน่อยค่ะตามสถิตินะค่ะนอนปฏิบัติ บ, ตบรรลุธรรมเนี่ยมีเหมือนกันแต่น้อย <laughs> <laughs> แต่ว่าเออข้อคือข้ออ้างอย่างเออเป็นถ้าเตรียมตายก็แล้วกันเพราะหลวงพ่อว่าก่อนจะตายเออ ไ ค, คิดว่าอะไรคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลอบใจตัวเองทำไมเราจะต้องตายท่านอนนะจะได้หลับไปเลยไม่เจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอันหนึ่งคือโอ้แล้วหลวงพ่อขอหลวงพ่อช่วยแนะนําว่าควรจะทำํำที่ทําอยู่ก็ใช่ได้แล้วนละ่ะ <c oughs> ทําต่อไปทําถูกแนละ้วค่ะแล้วก็สัเงเกตความเปลี่ยนของจิตไหย <c oughs> จิตในนี้เปลี่ยนไม่เหมือนแต่ก่อนแนละ้ว เพือให้จิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บระความมันเกิดขึ้นนะแล้วขันมันก็งเนี่ยเห็นมันเพี้ยงหน้าใจอยู่ต่างหากไปแค่คนดูนะสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ต่างหากใช้ไปแค่คนดูฝึกไปแล้วที่ฝันเนี่ค่ะฝันทุกคืนเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะถูกแล้วแหละแล้วจิตมันนอนนิดเดียวพอมันนอนพอแล้วมันจะขึ้นมาคิดแต่คิดตอนหลับเราเรียกว่าฝัน แต่มันชอบฝันแบบเป็นพอแล้วมันก็มักจะเกิดขึ้นแล้วก็จะไปจำสันว่าเอ๊ะนี่ความจริงหรือว่าในฝันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ต้องปรึกษาหมอแล้วเรี่ย <c oughs> สารสน <c oughs> b s I'm constantly struggling with having my thinking going off somewhere, and I was wondering, as a um, stable observer, are we not supposed to interrupt our thinking going off, um, or are we supposed to just follow it and let it go? And I'm constantly struggling with pulling my thinking back, and then. หลวงพ่อครับเขาบอกว่าดิ้นนนเรื่องว่าตอนที่คิดแล้วก็จะดึงกลับไหมหรือว่าถ้าจะคิดเกิดเคยถ้าเร า, าคิดไปคิดเรื่อยให้มันคิดนะแต่พอคิดแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกเกิดโลบกรดหรอะไรรู้ทันที่ความรู้สึกปล่อยให้จิตคิดแล้วพอมีความรู้สึกแล้วรู้ทันความรู้สึก He says that if you're struggling with this issue regarding thinking, the best thing to do then is to let the mind think, and then when happiness comes up, know that happiness comes up, or if unhappiness comes up, know that that has come up. Whatever emotion comes up or feeling comes up as a result of the thinking, then come back to the heart and see that. แค่รู้นะไม่ไปแทรกแซงเลยจะสุขทุกข์ดีชั่วก็แค่เห็นไม่ต้องไปแทรกแซงนะ So don't interfere with whatever feeling appears in the heart. Just know that it's there. Yeah, don't try to fight it. Okay, yeah, don't fight. Okay. So don't resist it. Don't refuse it. Just let it be there. e s Okay. So he says that your mind is not the stable observer now. เจสไปสอนเราเดี๋ยวให้ไลน์เส้นเจ๊สตอนนเมริการไดา้กันหนึ่งได้ไหมคะเมื่อกี้บอกขอเป็นคนสุดท้ายคือ <c ười> ของหนูก็คือฝึกให้ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวมากขึ้นอย่างอื่นต้องแก้ไขอะไรไหมคะต้องฝึกไปน ะ, ค, ะค่อยๆพัฒนาไปตอนนี้ใจมันไม่เข้มแข็งพอค่ะแต่ จากตอนเมื่อกี้กับตอนนี้ก็ละอารมณ์ไปแล้วก็ละแล้วช่ไงั้นแปลว่าที่หนูดูจิตหนูดูถูกใช่ไหมคะหนูเห็นกิเลสที่เกิดบ่อยไหมบ่อยค่ะออถ้าเห็นกิเลสได้นะเห็นแมกกิเลสมาเองกิเลสไปเองค่ะเออห็นอย่างนั้นใช้ได้นะค่ะขอพบพระคุณมากค่ะเวลาหลงไปคิดหลงไหม รู้ค่ะปล่อยค่ะแล้วก็เหม่อไปเลยโวลานานอยนะ้ไม่ดีแต่ก็รู้ว่าเหมือก็จะดึงกลับมาแต่ก็เห็นชัดรู้ว่าเหม่อพอล้ะไม่ต้องไปดึงคืนมาค่ะติดเหมือติดศกนี่นะคะนั่นแหละปัญหาใช่ค่ะมันทำให้อ่อนแออ๋อค่ะคนไม่เข้มแข็งอะเพราะว่ามันติดสกนั่นแหละค่ะติทุกค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผมจะขอกาดนำพวกเราทุกคนที่นี่นะครับขอเข้ามาหลวงพ่อนะครับแล้วจากนั้นเปิดให้ให้ใหลวงพ่อได้พักพอ่อนนะครับ <c oughs> เ, เราตั้งใจเก่าเร า, าเราตั้งใจตั้งโงมสามจุดพร้อมกันนะครับ นโมตัสสะท้าววัตตุอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะท้าววัตตุอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะท้าววัตตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะเก้าทางนะเทเรปมาเทนะเทเรมาเทนะขวรัตเยนะกตังขวรัตเนะกตังลับพัง สัพพังอปปะลาทังขามัตุโนพันเตเถเรปมาเดนะวาละเยนักตังสัพพังอปปะลาทังขมัตุโนพันเต เทนะเทเมาเนะทวารตะเยนกตังทวารตะเยนกตะังบพังสัาอปปาทังอปราทังธรรมตโนันเตตุโนโพันเต อาคมามิเอวังโหตุเอวังโหตุโวจัปุเพปปะมชิตวาปชาโซนะปะมชติโซมังโรกังปพาเซตีอภามุโตะจันติมายะสัปปะปังกตังกัมมังโกสเลนะปิยติโซมังโรกังะพาเซตีอภามุตโตะจันติมาอภิวาทนาสิลิสนิจจังุทาปจัยโนจัตตาโรธรรมาวัตันติ อายุวันโนสุขขังพระรามเป็นะไร ถวายพระไหรยนะหลวงพ่ อ, อนนุงมทนาพวกเราทุกๆคนด้วยรวมทั้งทุกคนที่ช่วยกันจัดให้หลวงพ่อประเทศไม่ใช่งานเบาๆนะงานฝ า, ากคมหอมคมดาไม่ใช่น้อยหรอก <c oughs> ลังบาก <c oughs> ที่นี่ก็มีคุณนิรันตตัวตั้งตัวตีิทัตงานเยอะเลยหลายคนช่วยกันแต่คุณแหว่รในในช่วยรับรถแท้ เราขอหลวงพ่ทนานะพวกเราทุกๆคนสภาพคุณชมพูนคุณปิยนิยเดี๋ยวความเข้าใจนิดนึงครับขอให้ขอให้คนนี้เป็นตัวแทนพวกเราถวายของหลวงพ่อนะครับอย่างอื่นใครอาจารนํามาเนี่ยเดี๋ยวนํามาไว้ที่ผมหรือว่านะที่ที่ติดตามหลวงพ่อมาเลยนะครับเพื่อรปิดโอกาสหลวงพ่อได้ผัดผ่อนะครับขอความเข้าใจกันนิดนึงนะครับพี่ผู้ชาย รนะเป็นตัวแนทนพวกเรานะครับอล่วคนอื่นที่เรานนำมาก็ถือว่านะครับรวมกันคุณไอรันเช็คเก็บขนะมี ร, นรูปภาพนอนหะลับผ่อนนะ ยะถาวะริวะหาภูราปิภูเรนเตสาคารังเอวเมวา i โตทีนังเตตานางุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิดวเมวาสมิฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสพิตโยวิวัชชนตุส k พโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อภิวาทนาสิลิสเนจจางุทธาปจายโนจตารธรรมาวัณติอายุวันโนสุขขังพระลังให้พวกเราพาวนานะชีวิตจะได้มีความสุขความเจริญพานาแล้วดีทั้งทางโลกทางธรรม